ดังที่ได้พูดไว้ว่าการเกิดของพระพุทธศาสนานี้เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ยากมากมากกว่าการที่จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์หลายล้านเท่าโดยกันการเกิดเป็นมนุษย์ในแต่ละครั้งก็ยากยากยิ่งกว่าการได้มาเกิดเป็นเดรัจฉานเพราะจำนวนของมนุษย์กับของเดรัจฉาน ก็มีความแตกต่างกันมากเช่นโลกใบนี้มีมนุษย์อยู่กี่พันล้านคนแต่จำนวนของสัตว์ต่างๆนี้มีมากกว่าจำนวนของมนุษย์หลายล้านเท่าเลยดังนั้นโอกาสที่จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ยากเหมือนกันแล้วเมื่อ เมื่อโอกาสทั้งสองนี้จะได้มาพบกันก็ยิ่งเป็นของยากมากขึ้นไปอีกหลายเท่าคือได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาเกิดได้มาพบกับพระพุทธศาสนาอย่างที่พวกเราในภพนี้ชาตินี้ได้มีโอกาสกันเราได้มาเกิดเป็นมนุษย์ และเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาอันนี้ถ้าเปรียบเทียบกับความยากในโลกของเราในสมัยนี้ก็คือการถูกลอตเตอรี่รางวัลต่างๆนี่พวกเราจึงถือว่าเราได้ถูกลอตเตอรี่กันแล้วลอตเตอรี่ของทางพระพุทธศาสนานี้ ก็มีรางวัลหลายรางวัลด้วยกันรางวัลทางพระพุทธศาสนานี้ก็มีแบ่งไว้สองระดับด้วยกันคือหนึ่งระดับโลกียะและสองระดับโลกุตตระระดับโลกียะก็คือยังติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ถึงแม้ว่าจะเป็นภพชาต ที่ดีที่มีความสุขมากแต่ก็ยังอยู่ภายใต้กฎของอ น, นิจจังคือความไม่เที่ยงคือได้เกิดเป็นเทพบ้างเป็นพรหมบ้างเป็นมนุษย์บ้างแต่แล้วก็ต้องศูญย์ไปหมดไปกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาสร้างบุญใหม่ มาปฏิบัติทำทานรักษาศีลใหม่นั่งสมาธิใหม่ถึงจะได้กลับขึ้นไปเกิดบนสวรรค์ชั้นต่างๆบนสวรรค์ชั้นเทพบนสวรรค์ชั้นพรมซึ่งยังถือว่าเป็นภพที่ไม่ถาวรคือคือเกิดแล้วก็ต้องมีการเสือเส่อมเสื่อม ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรมแล้วก็เสื่อมลงมาสู่สวรรค์ชั้นเทพจากสวรรค์ชั้นเทพก็ลงมาสูส่สู่พบของมนุษย์นี่เรียกว่าโลกิจยะพบที่ยังเป็นอยู่ภายใต้กฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ส่วนพบที่ จะไม่อยู่ภายใต้กฎของอนิจจังทุกขังอนัตตานี้เราก็เรียกว่าโลกุตตรละอันนี้เป็นรางวัลขั้นเหนือโลกคือถ้าได้แล้วจะไม่สูญไม่เสื่อมเช่นมรซีผลสีนิพานหนึ่งนี่ก็คือรางวัลขั้นโลกุตตรละของทางพระพุทธศาสนา มีอยู่สองระดับด้วยกันระดับโลกิยากับระดับโลกตระการที่เราจะได้รับรางวัลเหล่านี้เราก็ต้องไปขึ้นรางวัลอย่างเวลาที่เราถูกลอตเตอรี่ถ้าเราถูกเลขท้ายสองตัวสามตัวเราก็นำเอาลอตเตอรี่นี้ไปขึ้นที่สำนักงานของกองสลาก เดิมมีตัวแทนเขารับเอาไปขึ้นให้เราก็ยื่นไปให้เขาเขาก็จะให้รางวัลกับเรามารางวัลทางพระพุทธศาสนาก็ต้องมีการไปขึ้นรางวัลเช่นเดียวกันเราจะขึ้นรางวัลไหนก็ได้เพราะว่าเราถูกรางวัลทุกรางวัลตั้งแต่เลขท้ายสองตัวขึ้นไปจนถึงรางวัลที่หนึ่ง เราอยากจะขึ้นรางวัลในระดับโลกียะก็คือการได้กลับมาการได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆชั้นเทพชั้นพรหมหรือการได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์คือไม่ต้องไปเกิดในอบายเราก็สามารถขึ้นรางวัลระดับนี้ได้ถ้าเราต้องการขึ้นรางวัลระดับโลกุตตละคือ ระดับมรรคผลนิพพานมรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งเราก็สามารถขึ้นรางวัลต่างๆเหล่านี้ได้แต่เราต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของการรับรางวัลเหล่านี้เช่นถ้าเราตายไปแล้วเราอยากจะได้ไปเป็นเทวดาได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นต่างๆเราก็ต้องทำทานรักษาศีล ทำทานรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์เวลาร่างกาย น, นี้ตายไปใจของเราก็จะได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นเทพชั้นต่างๆขึ้นอยู่กับปริมาณการทําทานกับการรักษาศีลของเราว่ามีมากน้อยเพียงไรถ้าเราอยากจะขึ้นไปสู่ชั้นชั้นสวรรค์ชั้นพรหมเราก็ต้อง ทำทาน ร, รักษาศีลแล้วก็บาเพ็นสมถะภาวนาทำใจให้สงบทำให้ทาใจให้เป็นฌานขั้นต่างๆเราก็จะได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นพรหมแต่แต่สวรรค์ชั้นพรหมสวรรค์ชั้นเทพนี้เป็นสวรรค์ที่ไม่ถาวรอน คือเราขึ้นไปแล้วพอบุญที่เราได้บำเพ็ญไว้หมดไปคือทานศีลภาวนาสมถะภาวนาได้หมดไปใจของเราก็จะเลิ่อนลงมาจากสวรรค์ชั้นพรมลงมาสู่สวรรค์ชั้นเทพจากสวรรค์ชั้นเทพลงมาสู่พบของมนุษย์ใหม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วเราก็ต้องมา บำเพ็ญใหม่ทำทานรักษาศีลภาวนาใหม่ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาก็เราก็จะบำเพ็ญได้เพียงระดับขั้นโลกียะเพราะว่าศาสนาอื่นๆจะสอนได้เพียงระดับขั้นโลกียะนี้เท่านั้นมีเพียงศาสนาพุทธนั้นที่จะ มีความสามารถสอนให้เราขึ้นไปสู่ชั้นเหนือกว่าชั้นโลเกียคือชั้นโลกุตตะระชั้นโลกุตะกตะระก็คือชั้นของพระอริยะเจ้าทั้งหลายคือชั้นของพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีและพาาระอรหันต์การที่เราจะขึ้นไปสู่ สวรรค์ชั้นต่างๆเหล่านี้ได้เราต้องเจริญทมที่เรียกว่าวิปัสสนาภาวนาต่อจากสมถะภาวนาเช่นถ้าเราทำทานรักษาศี่งแล้วเราเจริญสมถะภาวนาได้แล้วเราต้องการที่จะขึ้นไปสูงกว่านี้เราก็ต้อง จะเริญนวิปัสนาภาวนาวิปัสนาแปลว่าความรู้แจ้งเห็นจริงในสภาวธรรมทั้งหลายว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราที่เรียกว่าอานิจจังทุกขังอนัตตานี่คือขั้นวิปัสนา ที่เราจำเป็นจะต้องเจริญให้เห็นความจริงของสิ่งต่างๆทั้งหลายเช่นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือขันหานี้ว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราการเจริญวิปัสสนานี้ก็เพื่อ มากำจัดสังโยชน์คือความหลงความมืดบอดที่หลอกให้ใจหลงยึดติดกับสิ่งต่างๆที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาขั้นพระโสดาบานันนี้ก็ต้องละสังโยชน์สามสามตัวแรก ก็คือหนึ่งสักกายาทิฏฐิความเห็นว่ า, ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตัวเราเป็นของเราละวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่ามีจริงหรือไม่แล้วละศีลพัตปรามาศ คือการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อตัดพบตัดชาติตัดการเวียนว่ายตายเกิดตัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจอันนี้คือสังโยชน์สามสามตัวแรกที่จะต้องตัดให้ได้ถ้าอยากจะได้รับรางวัลขั้น พระโสดาบันการที่จะตัดสังโยชน์ทั้งสามนี้ก็ต้องเจริญวิปัสสนาภาวนาพิจารณาขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นสภาวะธรรมมีการเกิดแล้วมีการดับไปเป็นธรรมดา ไปห้ามเขาไม่ได้ไปอยากให้เขาเกิดแล้วไม่ดับไม่ได้เพราะถ้าเกิดความอยากไม่ให้เขาดับก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเช่นพิจารณารูป ก, ก็คือร่างกายของเราพิจารณาให้เห็นว่าร่างกายนี้เป็นเป็นองค์ประกอบของอาการสามสิบสอง คือผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับไตผังผืนต่างๆอวัยวะต่างๆนี่เป็นเพียงอวัยวะเป็นส่วนประกอบไม่มีตัวตนในอวัยวะเหล่านี้ตัวเราไม่ได้อยู่ในผมในขนในเล็บในฟันในหนังในเนื้อในเอ็นในกระดูก พิจาณาให้เห็นว่าอาการ32นี้ไม่เที่ยงมีการเกิดแล้วก็ต้องมีการแก่มีการเจ็บแล้วก็มีการตายไปเวลาตายไปแล้วอาการ32นี้ก็จะกลายเป็นธาตุสี่ไปธาตุที่มีอยู่ธาตุน้ำที่มีอยู่ในร่างกายก็จะไหลออกแยกออกมาธาตุไฟก็จะแยกออกไป ธาตุลมก็จะแยกออกไปก็จะเหลือแต่ธาตุดินคือร่างกายถ้าทิ้งไว้ศพร่างกายศพของร่างกายนี้ทิ้งไว้ต่อไปมันก็จะเน่าเปื่อยแล้วก็กลายเป็นดินไปถ้าเราพิจารณาร่างกายอยู่อย่างนี้อยู่เรื่อยเรื่อยเราก็จะเห็นอย่างชัดเจนว่า ไม่มีตัวตนในร่างกายอันนี้เป็นเพียงดินน้ำลมไฟที่มาจากอาหารที่เรารับประทานเข้าไปมาจากน้ำที่เราเดื่มเข้าไปมาจากลมที่เราหายใจเข้าไปมาจากความร้อนที่เราได้รับจากแสงแดดแสงอาทิตย์เมื่อมารวมกันก็ทำให้มีอาการสามสิบสองขึ้นมา มีการเจริญเติบโตขึ้นมาจากทารกเวลาที่คลอดออกมาจากท้องแม่แล้วก็เจริญเติบโตขึ้นไปตามลำดับจนถึงขั้นสูงสุดแล้วก็เกิดการเสื่อมเกิดการชะลาภาพลงไปเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็เกิดการยุติการดำเนินของร่างกาย พอร่างกายหยุดทำงานธาตุทั้งสี่ที่เข้ามารวมกันก็แยกทางกันออกไปให้พิจารณาอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนเห็นได้อย่างชัดเจนตลอดเวลาก็จะละสกายาทิฏฐิส่วนของร่างกายข อ, ของรูปไปได้ส่วนสกายาทิฏฐิของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ให พิจารณาที่ตัวเวทนาคือความเจ็บทางร่างกายร่างกายนี้มีเวทนาอยู่สามคือมีสุขมีทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์สุขก็คือเวลาร่างกายมีความสุขมีความสบายเราก็เรียกว่าสุข เวลาร่างกายเจ็บ่ายได้ป่วยเราก็เรียกว่าทุกขเวทนาวเวลาร่างกายอยู่ระหว่างไม่สุขไม่ทุกขเ์เราก็เรียกว่าไม่สุขไม่ทุกขเวทนามีอยู่สามส่วนเราก็พิจารณาว่าเป็นอนัตตาคือเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะไปสั่งไปบังคับไปควบคุมได้ว่าให้สุขไปอย่างเดียว ไม่ให้ทุกข์ร่างกายของเรานี้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเวลารับประทานอาหารเวลาได้ดื่มน้ําก็เกิดมีความสุขเวลาหิวอาหารเวลาหิวน้ําก็เกิดความทุกข์ขึ้นม า, อ, าอันนี้บางทีเราก็าระงับได้บางทีเราก็างรงับไม่ได้ เวลาหิวน้ำถ้ามีน้ำดืม่มเราก็ระงับความทุกข์ที่เกิดจากการหิวน้ำได้เวลาเกิดอาการหิวข้าวถ้ามีอาหารรับประทานเข้าไปก็หายจากอาการหิวได้แต่เวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยปวดตรงนั้นปวดตรงนี้จะให้มันหายไปทันทีทันใดมันก็บางทีก็ไม่หาย เวลาไม่หายเราจะทำอย่างไรเราก็ต้องอยู่กับมันไปให้ได้ถ้าเราอยู่กับมันได้เราก็จะไม่ทุกข์กับมันเราต้องปล่อยวางมันเราต้องพิจารณาให้เห็นว่าบางทีเราก็ไปสั่งเขาไม่ได้ควบคุมบังคับเขาไม่ได้สั่งให้เขาหายไปไม่ได้เพราะเขาเป็นอนัตตา เขาไม่ใช่เป็นตัวเราไม่ใช่ของเรานั่นเองการพิจารณาเวทนานี้ก็จะทําให้ใจของเราละตันหาคือความอยากให้ความเจ็บของร่างกายหายไปเพราะเราเห็นตามความจริงว่าเวทนาจะเกิดหรือจะดับบางทีเราไปสั่งเขาไม่ได้เราไปห้ามเขาไม่ได้ ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องอยากไปอยากให้เขาหายไปเพราะเวลาเราอยากให้เขาหายใจของเราก็จะเกิดความทุกข์ทรมานขึ้นมาความทุกข์ทรมานใจนี้รุนแรงกว่าความเจ็บของทางร่างกายหลายเท่าเลยกันถ้าเราไม่มีความทุกข์ทรมานใจความเจ็บของทางร่างกายนี้จะ ไม่เป็นปัญหาอะไรใจของเราจะอยู่อย่างปกติสุขได้ไม่เดือดร้อนกับการเจ็บของร่างกายนี่ก็คือการพิจารณาเวทน า, นาสัญญาสังขารวิญญาณไปพร้อมๆกันเวลาเราพิจารณาเวทน า, นาเราก็จะแก้ปัญหาที่สัญญาสังขารไปด้ว ย, วยเพราะโดยปกติสัญญา ของเราเกี่ยวกับเวทนาก็คือเราจะไปจําว่าเวทนานี้เป็นตัวเราเป็นของเราเราสามารถดูแลจัดการมันได้เวลามันเกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดการเก็บขึ้นมาเราก็จัดการกับมันได้ทําให้มันหายได้แต่บางเวลาเราอยู่ใน สภาพที่เราไม่สามารถจัดการกับมันได้เช่นเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆแม้แต่หมอก็ไม่สามารถที่จะกำจัดให้มันหายไปได้เวลานั้นถ้าเราไม่มีวิปัสสนาไม่มีปัญญาไม่เห็นว่ามันเป็นอนัตตาเราก็จะต้องทุกข์กับมันแต่ถ้าเราเห็นว่ามันเป็นอนัตตาเราจัดการบังคับมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้ เราปล่อยมันไม่ไปยุ่งกับมันใจของเราก็จะไม่ทุกข์ความทุกข์ที่ดุนแรงคือความทุกข์ใจนี้หายไปความทุกข์ที่ไม่รุนแรงคือความทุกข์ของทางร่างกายถึงแม้ยังจะมีอยู่ก็จะไม่เป็นปัญหาอย่างไรเรามาแก้สัญญาเราต้องแก้สัญญาว่าเวทนานี้ไม่ใช่ตัวเราของเรา เราไปห้ามเขาไม่ได้เราไปสั่งเขาไม่ได้เรามาแก้สังขารคืออยาปรุงแต่งไปตามความอยากให้เวทนาหายไปถ้าเราไม่ใช้ปัญญาเราสั ง, ส, งสังขารอย่างเราจะปรุงแต่งไปในทางความอยากคืออยากให้เวทนานี้หายไปพอเกิดความอยากขึ้นมาก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาภายในใจ ถ้าต้องการดับความทุกข์ก็ต้องไม่ปรุงแต่งไปในทางความอยากให้หายไปปรุงแต่งไปในทางปล่อยวางว่าเวทนาจะอยู่ก็อยู่ไปจะหายก็หายไปอันนี้ก็เป็นการพิจารณาหรือแก้ปัญหาของนามขันคือเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณ วิญญาณนี้ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะวิญญาณนี้เป็นผู้ที่รับข้อมูลเข้ามาสู่ใจเท่านั้นเช่นรับรู้ความเจ็บของร่างกายแล้วก็ส่งไปให้ใจพอใจพอมาถึงใจสัญญาก็จะมาเป็นผู้จำว่านี่คือเวทนาคือความเจ็บต้องจัดการให้มันหายไปให้ได้พอเกิด เกิดสัญญาว่าเรากําจัดมันได้สังขารก็จะปรุงแต่งว่าอยากจะให้มันหายไปแต่ทีนี้มันไปเจอเวทนาที่จัดการไม่ได้ให้มันดับไปไม่ได้ให้มันหายไปไม่ได้ถ้าเกิดความอยากให้มันหายไปมันก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาอันนี้เราก็ต้องมาแก้สัญญาว่า สังขาร เ, เวทนานี้เป็นสิ่งที่เราไปจัดการไม่ได้มันจะอยู่มันจะตั้งอยู่ก็ต้องปล่อยให้มันตั้งอยู่ไปถ้าเราอยากให้มันหายไปเราก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาที่รุนแรงกว่าความเจ็บของทางร่างกายนี่คือการพิจารณาเพื่อละ เ, อเพื่อละสั ก, กายทิฏฐิ ที่จะเห็นว่าเราสามารถควบคุมขันห้าได้สั่งขันห้าให้เป็นไปตามความอยากของเราได้คือรูปก็อยากจะให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายถ้าเราพิจารณาด้วยวิปัสสนาเราก็จะเห็นว่าเราไม่สามารถที่จะไปห้ามรูปคือร่างกายนี้ไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายได้ ร่างกายนี้เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายความเจ็บนี้ก็คือเวทนาทุกขเวทนาเราไปห้ามทุกขเวทนาไม่ได้เราไปสั่งให้ทุกขเวทนาหายไปไม่ได้เวลาที่เขาเกิดขึ้นมาแต่เราไม่ต้องทุกขับเขาได้ถ้าเรามีวิปัสสนามีความรู้แจ้งเห็นจริงว่าเขาไม่ได้เป็นตัวเราเราไม่ได้เป็นเขา เราอยู่ที่ใจเราอยู่ที่ผู้รู้ส่วนร่างกายนี้เป็นของดินน้ำลมไฟดังนั้นเวลาร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายเราไม่เดือดร้อนถ้าเรามีวิปัสสนามีปัญญามีความรู้แจ้งเห็นจริงว่าเขาไม่ได้เป็นเราเราอยู่ที่ใจเราอยู่กับใจเราอยู่กับผู้รู้ คูรู้ก็มีหน้าที่รับรู้เท่านั้นไม่ต้องไปทำอะไรกับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพราะทำอะไรไม่ได้ต้องปล่อยให้เขาเป็นไปตามความเป็นจริงของเขาคือเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพอเห็นอย่างนี้ก็จะละสังโยชน์ข้อที่หนึ่งได้ก็คือสักกายะทิฐิ พอละได้ก็จะเห็นธรรมปรากฏขึ้นมาเห็นว่าทุกนี้เกิดจากความอยากและความทุกนี้ดับไปก็เพราะมีสัมมาทิฏฐิมีวิปัสสนาที่เห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนิจจงทุกขังอนัตตาพอเห็น ด้วยปัญญานิโรธก็ปรากฏขึ้นมาผู้ที่เห็นธรรมทั้งสี่นี้คือเห็นทุกข์สมุทัยนิโรธมากก็จะไม่สงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่พราธรรมคําำคำสอนของพระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่พระอาริยสงสาวกของพระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่เพราะความจริงอันนี้ได้ปรากฏขึ้นมาอยู่ภายในใจในขณะนั้น คือมีดวงตาเห็นธรรมเห็นอริยาาสัจสเห็นว่าธรรมนี้แหละเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสรุ้แล้วนำเอามาสั่งสอนผู้ที่ปฏิบัติตามก็จะเห็นอย่างเดียวกับที่พระพุทธเจ้าเห็นผู้ที่เห็นอย่างเดียวกันนี้ก็เรียกว่าพระอริยสงฆ์คือพระโสดาบันนี้เองขั้นแรกพระอริย สองสาวกขั้นที่หนึ่งเรียกว่าพระโสดาบันเห็นทุกขสมุทัยนิโรธมากในการละสักกายทิฏฐิถ้ามีสักกายะทิฏฐิอยู่ก็จะมีความทุกข์พอมีวิปัสสนามีปัญญาเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาความทุกข์ภายในใจก็จะหายไปเพราะความอยากที่จะให้ รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี้ก็จะหยุดไปพราะรู้ว่าทำไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้สั่งเขาไม่ได้ผู้ที่เห็นอย่างนี้ก็จะไม่มีความสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่ามีจริงหรือไม่แล้วก็จะละสังโยชน์ข้อที่สามได้ก็คือการปฏิบัติ หรือการบำเพ็ญบำบัดความทุกข์ที่ไม่ได้อยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าวิธีบำเพ็ญดับความทุกข์ที่พทธเจ้าทรงสั่งสอนก็คือให้ทำทานรักษาศีลภาวนาเท่านั้นจะไม่ไปทำพิธีกรรมอะไรต่างๆเช่นบูชายันหรือไปประกอบวิธีบวงสรวงเทพเทพเจ้า ไหว้ผีไหว้อะไรต่างๆการกระทำเหล่านี้ไม่ได้เป็นการนำไปสู่การดับความทุกข์ก็จะละความหลงยึดติดอยู่กับพิธีกรรมต่างๆได้พิธีแก้ทุกข์ที่นอกเหนือจากิสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนจะแก้ทุกข์ด้วยการทำทานด้วยการรักษาศีล ด้วยการภาวนาเท่านั้นนี่ก็คือการละสังโยชน์ทั้งสามข้อเป็นการบรรลุเป็นพระสวดาบันขึ้นมาอันนี้ก็เป็นการขึ้นรางวัลขั้นโลกยะขั้นแรกถ้าอยากจะได้รางวัโลโลกุตระขั้นที่สองก็ต้องเจริญวิปัสสนา เพื่อที่จะละสังโยชน์คือทําให้สังโยชน์สองข้อเบาบางลงไปสองสังโยชน์เอกสองข้อที่ต้องละหรือทําให้เบาบางลงไปก็คื อ, อการมาราคะกับปฏิฆะการมาราคะก็คือความไข่ในการเสพกามนั่นเองคือการร่วมหลับนอนกับ ผู้อืหาความสุขจากการเสรการร่วมหลับนอนกันวิธีที่จะกำจัดความอยากนี้ก็ต้องใช้การเจริญอสุภะก็คือพิจารณาส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายอย่าอย่าดูส่วนที่สวยงามถ้าดูแต่ส่วนที่สวยงามก็จะเกิดการอารมณ์ขึ้นมา เกิดความอยากที่อยากจะเสพกามกับบุคคลนั้นถ้าพิจารณาส่วนที่ไม่สวยงามของบุคคลนั้นก็จะทําให้กามอารมณ์นั้นดับไปได้ส่วนที่ไม่สวยงามนั้นเป็นอะไรก็ส่วนที่ถูกซ่อนอยู่ภายใต้ผิวหนังนี่ผิวหนังนี้บางๆมันสามารถปกปิดความไม่สวยงามของร่างกายได้หมด ทำให้หลงหลาคลั่งใคล้ไปกับร่างกายของหญิงของชายทําให้ต้องมีการร่วมหลับนอนกันทําให้ต้องมีครอบครัวกันทําให้ต้องมีบุตรมีธิดามีความทุกข์อันยาวเหยียดอามมาถ้าต้องการตัดความทุกข์ที่เกิดจากการเกิดกามาราคะก็ต้องพิจารณาอาสุภะ ต้องดูส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายคือมองเข้าไปใต้ผิวหนังมองดูว่าใต้ผิวหนังนี่มีอะไรถ้าเราสามารถแปลงผิวหนังให้มันเป็นใสเหมือนถุงพลาสติกได้เวลาเราเห็นร่างกายของคนเราจะไม่เกิดการมลุมเพราะเหมือนกับเวลาที่เราไปตลาดแล้วเราไปซื้อ อ, อวัยวะต่างๆของ ของสัตว์เช่นไก่เป็ดหรือหมูวัวซื้อตับซื้อน้ำไส้ซื้อปอดซื้ออะไรแล้วก็ใส่ถุงพลาสติกหิว้วหิ้วมาเนี่ยเรามองเข้าไปในถุงเราเห็นเราก็ไม่อยากจะไม่อยากจะดูซึ่งด้วยซ้ําไปะแต่ใดถ้าเราสามารถทําให้ผิวหนังของเรานี้ใสเหมือนถุงพลาสติกได้เราก็จะเห็นอวัยวะต่างๆที่ไม่น่าดูน่าชมได้ เราจะเห็นโครงกระดูกเราจะเห็นปอดเห็นตับเห็นไตเห็นหัวใจเห็นลำไส้เห็นสมองเห็นอะไรต่างๆที่ไม่น่าดูวิธีที่จะทำให้เราสามารถมองทะลุผิวหนังไปได้คือทําให้ผิวหนังนี้ใสเหมือนถุงพลาสติกก็คือเราต้องพิจารณาอยู่เรื่อยๆนึกขึ้นมาภายในใจ นึกถึงอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ภายในร่างกายในเบื้องต้นเราอาจจะต้องไปดูของจริงก่อนเช่นเวลาคนตายแล้วเขามีการชำละศพผ่าศพออกมาเราก็จะได้เห็นส่วนที่มีอยู่ภายใต้ผิวหนังเห็นอวัยวะต่างๆหรือสมัยนี้เราก็สามารถดูภาพถ่ายก็ได้หรือภาพวาดก็ได้ ที่นักศึกษาแพทย์เขาได้ศึกษากันอันนี้ก็จะทำให้เราเห็นส่วนที่ไม่สวยงามส่วนที่ไม่น่าดูของร่างกายเวลาที่เราเห็นส่วนภายนอกที่สวยงามแล้วเรานึกถึงส่วนที่ไม่สวยงามที่มีอยู่ภายใต้ผิวหนังต่อไปผิวหนังนี้ก็จะกลายเป็นเหมือนถุงพลาสติกไปทุกครั้งที่เรามองภายนอก เราก็จะนึกถึงส่วนที่มีอยู่ภายในพร้อมๆกันไปเราก็จะไม่เห็นว่าร่างกายนี้มันสวยงามที่ตรงไหนเลย <c oughs> พอเราไม่เห็นว่ามันไม่สวยงามการอารมณ์ก็จะไม่เกิดขึ้นผู้ที่สามารถทำให้การอารมณ์เบาบางลงไปเรียกว่าได้บรรลุ ข, ขั้นที่สองคือขั้นพระสกิฎารามี ถ้าต้องการจะบรรลุขั้นที่สามคือขั้นพระอนาคามีก็ต้องทำลายกามลลมให้หมดไปเลยวิธีที่จะทำลายการมลลมให้หมดไปได้ก็คือทุกครั้งเวลาเกิดกามลลมก็สามารถดับการมลลมได้ด้วยการเจริญอสุภะคือการเห็นส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายตลอดเวลา เราจึงต้องพิจารณาสุภาษตอยู่ตลอดเวลาถ้าเราอยู่ในขั้นนี้ถ้าเราต้องการทำลายการารมณ์และผลของการารมณ์คือความหมุดหงิใจปฏิฆะนี้แปลว่าความหมุดหงิดใจเวลาเกิดการารมณ์แล้วใจจะหุดหงิดจะอยากจะเสพกามอย่างเดียวถ้าไม่ได้เสพกามก็จะหงุดหงิดพอเสพแล้วมันถึงจะหาย ถ้าเราสามารถกาจัดการอารมณ์ได้ความหงุดหงิดใจก็จะหายไปเองการจะทำให้การอารมณ์หมดไปได้ก็ต้องพิจารณาอสุภะอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาทุกครั้งที่เราเห็นคนเราต้องเห็นทะลุเข้าไปใต้ผิวหนังเลยต้องเห็นผิวหนังนี่ใสเป็นเหมือนถุงพลาสติกเราถึงจะเห็นอวัยวะต่างๆที่ถูกผิวหนังหุ้มหอ่อ ปกปิดเอาไว้คือเห็นโครงกระดูกเห็นอวัยวะต่างๆเช่นปอดตับลำไส้ตับไตหรืออาหารที่อยู่ภายในลำไส้อาหารเก่าอาหารใหม่แล้วก็เห็นสมองศีสษะอันนี้คือสิ่งที่เราต้องพยายามกําหนดดูอยู่เรื่อยๆนึกอยู่เรื่อยๆพิจารณาอยู่เรื่อยๆ ทุกครั้งเวลาเรามองไขนี้เราต้องมองแบบซุปเปอร์แมนใครดูภาพยนต์ซุปเปอร์แมนนะซุปเปอร์แมนเขามีตาเอ็กซ์เรย์เขามองทีเขาจะมองเขาจะสแกนไปทั่วร่างกายเลยตั้งแต่หัวจดลงไปถึงเท้ามองทีนี่เห็นกระโหลกศีรษะมองเห็นโครงกระดูกเห็นเห็นกระดูกแขนกระดูกขาเห็นใบบดอวัยวะต่าง นี่คือการพิจารณาสุภาถ้าพิจารณาอย่างชำนาญแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นมันจะติดเป็นนิสัยพอเห็นร่างกายของไก่มันจะสแกนเข้าไปข้างในทันทีเหมือน CTSCAN กนนี่เราไม่ต้องเสียเงินไปซื้อซ t Scan นมาเราใช้การเจริญวิปัสสนาจเจริญเข้าไปบ่อยๆแล้วจะเห็นเองจะเห็นเพราะว่าร่างกายของคนทุกคนเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นชาติใดภาษาใด ก็มีอาการสามสิบสองเหมือนกันหมดเห็นร่างกายอันใดอันหนึ่งแล้วก็จะเหมือนกับเห็นร่างกายทุกร่างกายไปนี่ก็คือการขึ้นรางวัลขั้นที่สองและขั้นที่สามก็คือขั้นสกิทาคามีขั้นอนาคามีคือการ <c oughs> พิจารณาอสุภะ <c oughs> เพื่อตัดกามากามอารมณ์ถ้าไม่มีกามอารมณ์แต่ไม่แน่ใจว่า การอารมณ์หมดหรือไม่หมดก็ต้องลองปลุกมันให้มันขึ้นมาลองนึกถึงภาพสวยๆงามๆนึกถึงภาพที่เห็นแล้วทำให้เกิดการอารมณ์ขึ้นมาเราดูว่ามันจะเกิดขึ้นมาหรือไม่ถ้ามันเกิดขึ้นมาก็ต้องใช้อสุภะนี่ดับมันให้ได้ถ้ามันไม่เกิดก็แสดงว่ามันไม่บีแล้วมันหมดแล้วหมดแล้วก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องสแกนร่างกายนี้ต่อไป เห็นใครก็เห็นตามปกติไม่ต้องไปสแกนเหมือนตอนที่เจริญอสุภะตอนเจริญอสุภะนี่มันต้องคอยสแกนอยู่เรื่อยๆไม่งั้นเดี๋ยวการอารมณ์มันจะเกิดนแต่ถ้าไม่มีการอารมณ์แล้วมันก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องสแกนก็มองคนไปตามปกติเพราะไม่ได้มองแบบทําให้เกิดการอารมณ์ขึ้นมามองแล้วก็สักแต่ว่ามองเห็นก็สักแต่ว่าเห็น ไม่มีเกิดการอารมณ์นี้ไม่มีความลักความไข่เกิดขึ้นมาอีกต่อไปนี่ก็กคือทําให้ได้ผ่านขั้นที่สามได้ขึ้นรางวัลขั้นที่สามคือเรื่องของร่างกายนี้ก็จะหมดปัญหาไปเรื่องของกิเลสเรื่องของสังโยชน์ที่เกี่ยวกับร่างกายก็จะหมดสังโยชน์ที่เกี่ยวกับร่างกายก็มีอยู่ห้าข้อนี้คือสกายทิฏฐิ วิจิกิจฉาศีลภัตตาปาราม า, ากามรมาลาคะและปฏิคะผู้ที่ได้บรรลุขั้นที่สามแล้วก็จะหมดปัญหากับเรื่องของร่างกายไปจะไม่มีวันที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปถ้ายังไม่ได้บรรลุ ถ, ถึงขั้นสูงสุดตายไปก่อนจิตก็จะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรม แล้วก็จะไปบำเพ็ญวิปั ส, สนาต่อในสวรรค์ชั้นพรมเพื่อละสังโยชน์เกห้าข้อที่เรียกว่าสังโยกเบื้องบนสังโยช์เบื้องต่ำก็คือที่ส่วนที่เกี่ยวกับร่างกายนี้ก็ได้ถูกทำลายไปหมดแล้วสำหรับผู้ที่ได้บรรลุขั้นพระอนาคามีแต่ยังมีสังโยชน์ที่ผูกมัดจิตใจให้ติดอยู่กับ การเวียนว่ายตายเกิดอยู่อีกห้าข้อด้วยกันคือรูปราคะอรูปราคะมานะวิอ่ะไอตัวนี้เอาเลกตัวฟงุงซ่านทื่ภาษาภาษาบาลีนี่นึกไม่ออกแล้วตัวสุดท้ายก็คืออวิชชานมีมีอยู่ห้าห้าข้อด้วยกันที่พระอนาคามีที่ จะต้องบำเพ็ญจะต้องเจริญวิปัสสนาเพื่อที่จะได้ให้เข้าสู่ขั้นของพระอารหันต์ได้ให้ได้บรรลุเป็นพระอารหันต์ได้เข้าสู่พระนิพพานยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้นี่ก็คือสังโยชน์ที่จะต้องบำเพ็ญต่อไปสังโยชน์นี้อยู่อยู่ภายในจิตไม่ได้อยู่ที่ร่างกายแล้ว ตอนนี้แหละถึงเรียกว่าเป็นเวลาที่จะต้องดูจิตอย่างเดียวดูจิตว่าตอนนี้จิตติดอยู่กับการมาราคะหรือไอติดอยู่กับรูปราคะหรือเปล่าติดอยู่กับฌานรูปราคะก็ติดอยู่กับรูปฌานหรือเปล่าติดอยู่กับอรูปราคะก็คือติดอยู่กับอรูปฌานหรือเปล่าตอนนี้ติดอยู่กับมานะหรือเปล่าคือการถือตัวถือตนตอนนี้จิตยังฟุ้งอยู่กับการ บำเพ็ญอยู่หรือเปล่าการพิจารณาแบบสุดต่งอยู่หรือเปล่าพิจารณาเพื่อให้เห็นตัวอวิชชาอยู่หรือเปล่าอันนี้ถ้าพิจารณาแบบพุ่งสร้างก็ต้องหยุดต้องพักจิตให้สงบแล้วค่อยออกมาพิจารณาใหม่ถ้าพิจารณาแบบไม่หยุดไม่ย่อนไม่มีการพักไม่มีเหตุไม่มีผลก็จะเกิดความพุ่งสร้างขึ้นมาภายในจิตได้ แต่ความฟุ้งซ่านนี้ไม่ได้เป็นความฟุ้งซ่านเหมือนความฟุ้งซ่านในนิวรณ์ห้าอันนั้นฟุ้งซ่านเกี่ยวกับ <c oughs> เรื่องของการมฉันทะเรื่องของการมาลมแต่นี้ฟุ้งซ่านเกี่ยวกับการปฏิบัติเจริญวิปัสสนาเพื่อหาตัวอวิชชาที่เป็นรากเหง้าของโมหะของกิเลสตัณหาที่จะต้องทําลายให้ได้จะต้องถอดถอน อวิชชาตอนนี้ให้หมดไปให้ได้ภพชาติถึงจะหมดไปพระนิพพานถึงจะปรากฏขึ้นมาในช่วงนั้นผู้ปฏิบัติก็อาจจะมีความ <c oughs> เพียนมากเพียนจนกระทั่งเลยเถิดไปจึงทําให้เกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาถ้าไม่คอยสังเกต ด, ดูก็จะไม่รู้ว่าตอนนี้จิตกําลังฟุ้งอยู่กับการปะกับการเจริญวิปัสสนาที่ไม่เป็นผลแต่อย่างใด อนนั้นก็ต้องระ ง, งับการเจริญวิปัสสนาไว้ชั่วคราวแล้วกลับเข้ามาสู่ส ม, มถะกลับเข้ามาสู่การพักจิตใจคนจิตใจก็เหมือนกับร่างกายถ้าทํางานทั้งวันทั้งคืนมันก็มันก็เมื่อยล้าได้เมื่อมันเมื่อยล้าแล้วการทํางานก็จะไม่มีประสิทธิภาพไม่สามารถทํางานให้ได้ผลได้ก็ต้องมีการพักผ่อนดับนอนมีการรับประทานอาหารอาบน้บําอาบท่า พอได้รับการพักผ่อนอับเนหลับนอนอับน้ำอับท่าตื่นขึ้นมาแล้วก็กลับไปทํางานก็จะทํางานอย่างมีประสิทธิภาพจิตที่มีความเมื่อยลา้ามีความฟุ้งอยู่กับการพิจารณาจิตอยู่เรื่อยๆก็จะมีอาการอย่างนี้ขึ้นมาได้ก็ต้องหยุดตอนนี้ไว้ก่อนแล้วพักจิตกลับเข้าไปในสมาธิพอจิตได้พัก พอได้กำลังแล้วก็ค่อยออกมาพิจารณาจิตใหม่ต่อไปพิจารณาไปจนกราจะสามารถทำลายมานะการถือตัวสามารถทำลายอาวิชชาความไม่รู้ในอริยสัจสีขั้นละเอียดที่มีอยู่ในจิตนั้นได้อันนี้ไม่ช้าก็เร็วถ้าบำเพ็ญไปอย่างนี้ด้วยการดูคอยสอดส่องดูแล ว, ว่าติดอยู่กับสังโยชน์ตัวไหนหรือไม่ ถ้าติดก็ต้องถอนออกมาถ้าติดในฌานก็ต้องถอนออกมาถ้าติดในการพิจารณาก็ต้องหยุดพิจารณาพิจารณาแบบโดยเถิดก็ต้องหยุดกลับเข้าไปในฌานถ้าติดอยู่ในฌานไม่ออกมาพิจารณาเลยก็ต้องลากมันออกมาพิจารณาน จิตตอนนั้นมันจะอยู่สองส่วนถ้าไม่ติดอยู่กับความสงบมันก็จะมาติดอยู่กับการพิจารณาแบบไม่มีการพักไม่มีการผ่อน <c oughs> ก็ต้องคอยให้มันอยู่ระหว่างมัชชิมาคือความพอดีอยู่ระหว่างการพิจารณาและระหว่างการพั ก, กจิตสลับกันไปถ้าทำอย่างนี้แล้วไม่นานก็จะเห็นตัวมานะเห็นตัววิชา เราก็จะสามารถทำลายตัวมานะและตัวอวิชชาได้ด้วยการพิจารณาอนิจจงทุกขังอนัตตานี่แหละเป็นเครื่องมืออนัตตาก็คือไม่มีตัวตนมานะมันเห็นว่ามีตัวมีตนอวิชชาก็คือไม่เห็นทุกข์พิจนารณาอนิจังทุกขังอนัตตามันก็จะเห็นทุกข์ขึ้นมาแล้วมันก็จะทำลายได้ทั้งมานะทั้งอวิชชา พอทำลายได้หมดแล้วทีนี้ก็ไม่มีอะไรให้ทำลายต่อไปสังโยชน์ที่เป็นตัวผูกมัดจิตให้ติดอยู่กับพบติดอยู่กับชาติติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดนั้นเมื่อถูกทำลายไปหมดแล้วจิตก็เป็นอิสระเป็นเสรีภาพไม่ต้องกลับมา เ, เวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปอก็เป็นจิตที่ได้เข้าสู่พระนิพพานนี่เองเข้าสู่ปรมังสุขขัง เข้าสู่ปรมังศูนย์หยงเข้าสู่ความว่างความว่างที่เต็นไปด้วยความสุขความว่างไม่ใช่เป็นความว่างอย่างที่เราคิดกันเพราะเราเวลาคิดถึงความว่างนี้เราจะคิดถึงความทุกข์กันเช่นเวลาไปติดคุกนี้มันว่างมันไม่มีอะไรเลยมีแต่ห้องเปล่าๆหรือเวลาไปบปําเพ็ญวิปัสสนาไปขังตัวเองอินทรียสังวรอยู่ในห้องปฏิบัติ ไม่มีทีวีดูไม่มีเครื่องคอมเล่นไม่มีอะไรให้ดูให้ได้ฟังมันก็เหมือนกับว่าไปติดคุกมันก็เป็นมองว่ามันเป็นความทุกเวลาไม่มีอะไรแต่ความว่างของจิตที่ได้หลุดพ้นจากสังโยชน์ทั้งหมดนี้มันเป็นความว่างที่มีแต่ความสุขเป็นปรมังสุขขงงังปรมังสุญญ อันนี้และคือผลที่เราจะได้รับรางวัลสูงสุดรางวัลที่หนึ่งของทางพระพุทธศาสนาก็คือการได้บรรลุถึงพระนิพพานได้บรรลุถึงนิพพานังปรามังสนยังนิพพานังปรมังสุขขังอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากเพราะไหนจะต้องรอคิวมาเกิดเป็นมนุษย์ไหนจะต้องรอคิวของพระพุทธเจ้ามาตัดสัตว ลำไหนจะต้องรอให้คิวสองสองคิวนี้มาเจอเจอกันพร้อมกันมาเจอพระพุทธศาสนาในขณะที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์อันนี้ยากมากแต่อตอนนี้พวกเราได้ของยากมากแล้วเราได้ถูกรางวัลแล้วตั้งแต่เลกท้ายสองตัวจากรางวัลที่หนึ่งเราสามารถเลือกขึ้นรางวัลต่างๆเหล่านี้ได้ขึ้นอยู่กับความต้องการของเราอยากจะได้รางวัลต่ำๆก็ ปฏิบัติน้อยๆทำทานรักษาศีลไปก็ได้รางวัลขั้นต่ำไปแล้วถ้าอยากจะได้รางวัลขั้นสูงก็ต้องก็ต้องออกบวชปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเต็มรูปแบบไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆอย่างนี้ก็จะได้รางวัลที่หนึ่งได้อยู่ที่ตัวเราที่จะเลือกจะเอารางวัลไหนไม่มีใครบังคับเรา แต่คนจลาศนั้นก็ต้องเลือกเอารางวัลที่หนึ่ง <c oughs> คนโงงเท่านั้นที่จะเลือกเอารางวัลเลขท้ายสองตัวเจนถูกเขาเต้นรางวัลที่หนึ่งแล้วก็เอาไปขึ้นแค่เลขท้ายสองตัวคนรับมันก็ดีใจเลยเออเาไปเลยสองตัวเดี๋ยวคนที่การรับนั้นเขาจะ ไ, ไปขึ้นรางวัลที่หนึ่งให้แทนดังนั้นขอให้พวกเราจงมีความยินดีมีความภูมิใจที่พวกเราได้มีโอกาสอันเลิศอันประเสริฐ ที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้มาปฏิบัติธรรมได้มาขึ้นรางวัลต่างๆโดยเฉพาะรางวัลที่หนึ่งขอให้พวกเราพยายามทําไปเถิดมันไม่ไม่ยากกว่าการที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้มาพบกับพระพุทธศาสนามันง่ายมากถ้าเปรียบเทียบกับความยากของการเกิดของพระพุทธเจ้ากับการเกิดเป็นมนุษย์พร้อมๆกันนี้ การปฏิบัติธรรมการไปขึ้นรางวัล น, นี้รู้สึกว่าเป็นของง่ายมากเหมือนกับเวลาเราถูกอถตอรี่รางวัลที่หนึ่งนี้มันง่ายมากเพียงแต่ขึ้นรถไปที่สำนักงานตลาดกินแบ่งเอาบัตรประาชาชนของเราไปแสดงให้เขาเขาก็จ่ายรางวัลมาให้เราแล้วการไปขึ้นรางวัลที่หนึ่งของพระพุทธศาสนาก็ง่ายเพียงแต่ทําทานรักษาศีลแล้วก็ภาวนาไปเท่านั้นเองไม่เห็นมันจะยากเย็นตรงไหน มีคนเขาทากันมาได้กันทั้งเยอะแยะแล้วนพระอริยสงสาวกต่างๆนี้ท่านก็ทําอย่างนี้ทั้งนั้นท่านถูกรางวัลแล้วท่านก็ไปขึ้นลางวันท่านก็ทําทานรักษาศีลภาวนาจะละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองออกบวชกันพอบวชแล้วก็ไม่กี่ปีก็ไม่กี่เดือนกี่ปีหรือกี่วันก็ได้รางวัลกันแล้วบางท่านก็ได้ภายในเจ็ดวันบางท่านก็ได้ภายในเจ็ดเดือนบางท่านก็ได้ภายในเจ็ดปี เหมือ น, นพวกเราก็เป็นเหมือนกั น, เ ห, น, กนเหมือนกับท่านเหล่านี้อยู่ที่ว่าเราจะไปขึ้นรางวัลหรือไม่เท่านั้นเองถ้าเราไม่ขึ้นเราก็จะไม่ได้รางวัลพอเวลาเราตายไปสิทธิ์ของการขึ้นรางวัลก็จะหมดไปกลับมาเกิดคราวหน้ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์อาจจะไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาแล้วอาจจะพบกับศาสนาอื่น ที่สอนได้เพียงแต่ขั้นโลกียะคือขั้นสวรรค์ชั้นพรมที่ไม่ถาวรที่จะต้องเสื่อมกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็ต้องรอคิวต่อไปจนกว่าจะได้มาเกิดมาเจอกับพระพุทธศาสนาอีกครั้งหนึ่งดังนั้นขอให้เราอย่าปล่อยโอกาสอันดีอันวิเศษนี้ผ่านไปให้หลุดมือไปให้รีบขึ้นไปขึ้นรางวัลเสียตั้งแต่วันนี้น้ำขึ้นให้รีบตัก เพราะเราไม่รู้ว่าน้ำมันจะลดเมื่อไหร่น้ำมันจะหมดเมื่อไหร่เราไม่รู้ว่าเวลาของการที่เราจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้จะอยู่ต่อไปได้นานอีกกี่วันกี่เดือนกี่ปีดังนั้นเราไม่ควรไปเสียเวลากับการไปเก็บเก็บเศษขยะลาบยศสรรเสริญสุขที่พวกเรากำลังหานี้เป็นเหมือนเศษขยะเมื่อเปรียบเทียบกับมรรคผลนิพพานที่พวกเราควรจะได้รับกัน เราควรมุ่งไปที่การขึ้นรางวัลดีกว่าอย่ามาเสียเวลากับการเก็บเสศษขยะแล้วก็ไปขายเอามาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องทิ้งานเหล่านี้ไปเถิดแล้วไปขึ้นรางวัลกันไปบวชกันไปปฏิบัติธรรมกันเพื่อที่เราจะได้รับรางวัลอันเลิศอันประเสริฐของพระพุทธศาสนาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลา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 จันโทปนาระโสยถามมณิโชติระโสยถาสภีติโยวิวาจันตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตารายโยสุขีทีขาโุโผวะอภิวาทนสิลิสานิจังวุธาปจจายโน จตารธรรมวทานติอายุวันโนสุขังภาลางตอนนี้ก็จะให้ถามปัญหากันถ้ามีอะไรอยากจะทราบเพิ่มเติมจากที่ได้พูดเอาไว้ มีข้อสงสัยอะไรที่ยังไม่เข้าใจอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้คุณหมอมีอะไรไหมอครับล ะ, ละสัจาทีท่ีนี่คือต้องยกกไกับจิกก็คือให้รู้ว่าจิตกับขันนี้เป็นคนละส่วนกันจิตก็คือเป็นเหมือนคนขับรถเนี่ยส่วนขันนี่ก็เป็นเหมือนรถยนต์ ให้รู้ว่าคนขับไม่ได้เป็นอะไรไปกับรถยนต์คนขับก็คือจิตผู้สั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆเช่นเราจะมาที่นี่ได้เราก็ต้องสั่งร่างกายว่ามาวัดกันนะก็สั่งให้ร่างกายขับรถมาทีหนึง่งผู้สั่งก็คือจิตก็สั่งผ่านทางนา ม, มขันคือสังขารสังขารสัญญาวิญญาณนี่เป็นตัว เป็นเป็นตัวเป็นสมุนของจิตอีกที่นึงเป็นเครื่องมือของจิตเครื่องมือของจิตที่บางครั้งก็หลอกจิตคือจิตได้ข้อมูลมาผิดพลาดคือได้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความจริงเช่นได้ข้อมูลว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราเวทนานี้เป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเราเราก็เลยต้องมาแก้ข้อมูลเหล่านี้แก้ที่สัญญา เราไปจำว่าร่างกายเป็นตัวเราเราต้องมาแก้มันหมายว่าไม่ใช่ตัวเราคอยสอนใจคอยย้ำสอนใจเรื่อยๆว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราอบันเทิงอาการ32ทำมาจากดินนะ้ำลมไฟมันจะต้องตายไปมันจะต้องจากเราไปในที่สุดเราเป็นตัวรู้เราอยู่กับผู้รู้อ เราให้รู้เฉยๆรู้ว่าร่างกายเป็นของไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเรารู้อย่างนี้เราก็จะปล่อยร่างกายได้เราก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายเพราะเราจะไม่มีความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะรู้ว่าห้ามห้ามมันไม่ให้แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้ห้ามไปก็เหนื่อยไปเปล่าๆ เหมือนกับห้ามฝนไม่ให้ตกนี้ห้ามมันทำไมสู้มาทำหลังคากาันฝนไม่ดีกว่าสบายกว่าไม่เหนื่อยเหนื่อยเวลาไปห้ามไม่ให้ฝนตกนี่มันเหนื่อยะ แ, แล้วก็ห้ามไม่สำเร็จแต่มาทำหลังคาเลือหาลมมากลางสักอันหนึ่งสบายกว่าเยอะแยะอันนี้ก็เหมือนกันเราหาปัญญามาปกป้องรักษาใจนั่นเองก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตา ให้เห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราอย่าไปอยากให้มันเป็นของเราแล้วเราจะไม่ทุกข์ถ้าอยากให้เป็นของเราแล้วมันจะทุกข์ก็เท่านี้เองอย่าไปห้ามความแก่ความเจ็บความตายมาห้ามความอยากดีกว่าง่ายกว่าห้ามความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะตัวนี้เป็นตัวปัญหาตัวที่ทำให้ใจเราทุกข์ก็ต้องพิจารณาอยู่เรื่อยๆที่มันไม่พิจ ที่มันไม่เห็นหรือมันลืมก็เพราะไม่นึกถึงมันบ่อยๆนั่นเองเหมือนกับสูตรคูณเนี่ยถ้าเราไม่ท่องบ่อยๆเดี๋ยวเราก็ลืมถ้าเราใช้มันอยู่ทุกวันสองคูนสองเป็นสี่สี่คูนสี่เป็นสิบหกนี่มันพอตัดต้องต้องใช้มันขึ้นมามันก็มาปั๊บเลยถ้าเราคิดอยู่เรื่อยๆว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นเหมือนรถยนต์คันหนึ่งเราเป็นคนขับรถเรามีหน้าที่ขับพามันไปไหนใช้มันไปไหนก็ใช้มันไปแต่อย่าไปหลงคิดว่าเป็นของเรา เราต้องรู้ว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายในที่สุดมันจะต้องกลายเป็นขี้เถ้าเศษขี้เถ้าเ็ษกระดูกไม่เชื่อไปดูตอนเช้าที่เขาเก็บเก็บเศษกระดูกกันเนี่ยตอนหลังจากที่เขาชาปนากิจแล้วตอนบ่ายตอนค่ตอนเช้าก็จะมีพิธีเก็บกระดูกกันนั่นแหละก็คือร่างกายของเราในที่สุดมันจะเป็นอะไรกระดูกมันเป็นอะไรถ้ามันไม่เป็นดินเป็นธาตุาดิน ธาตุน้ําก็หายไปหมดนะถูกไฟเผาแล้วเหยียไปหมดแล้วธาตุลมก็แยกไปนานแล้วธาตุไฟก็แยกไปก่อนนะให้พิจารณาอย่างนี้เรื่อยๆไม่ให้ลืมแล้วเวลาเจอข้อสอบก็ต้องทําตามความรู้จริงเวลาร่างกายเจ็บก็ต้องเฉยมันไม่เราไม่ได้เจ็บเราเป็นผู้รู้ก็รู้ว่ามันเจ็บเหมือนเราขับรถไปชนคันอื่นเนี่ยเราไม่ต้องไปเจ็บแทนรถหรอกนแบาบงทีคนขับก็ยังเจ็บแทนรถโมโหแทนรถ ใครมาชนรถเราอะใจก็เครียดขึ้นมาใจก็ทุกข์ขึ้นมาทั้งที่คนขับไม่ได้เจ็บเลยไม่ได้เป็นอะไรส่วนรถมันพังมันก็ยังไม่บ่นเลยเพราะมันไม่รู้เรื่องร่างกายก็เหมือนรถเนี่ยเวลาแขนหักขาหักฟันดุดมามไม่รู้เรื่องดุดก็ดุดไปมันไม่เดือดร้อนผู้ที่เดือดร้อนก็คือคนขับเนี่ยคือใจเนี่ยที่มาหลงคิดว่าร่างกายเป็นตัวมันฮะรู้ว่าใจเป็น เราเป็นอยู่เราเป็นผู้รู้ผู้คิดเท่านั้นเองส่วนร่างนี่โปรแกรมจตจนจนมาเอาตอมติดอ่าต่มาาตอนเมติกหรือไมก็ต้องดูตอนที่มันเกิดข้อสอบขึ้นมาเวลาไปหาหมอหมอบอกว่าเหลือสามเดือนเป็นโรคมะเร็งไงดูเรื่มันจะเอาตอมติกเปล่าดูเรื่องมันจะเฉยหรือเปล่าดูเรื่องไม่ใช่ตัวเราของเรารู้เปล่า เราไม่ใช่ตัวเราของเราก็เป็นก็เป็นเร่จะทําไงล่ะมันเป็นเราจะไปห้ามมันได้ที่ไหนมันเป็นอนัตตามันเป็นมะเร็งมันจะตายไปห้ามมันได้เป่ะไปทุกไปทุกไปเครียดแล้วมันไปไปหยุดมันได้เปล่ามันก็หยุดไม่ได้อยู่ดีอาจจะรักษาหยุดเวลาไปต่ออีกสักห้าปีอ่ะแล้วไปใช้แสงไปผ่าเนื้องอกออกไปเดี๋ยวมันก็งอกขึ้นมาใหม่รามปามขึ้นมาใหม่อันนี้สุดมันก็ต้องจบอยูดี เราต้องถามตัวเองว่าเราพร้อมที่จะไปสู่จุดนั้นไหมพร้อมที่จะปล่อยให้ร่างกายมันไปถึงจุดนั้นไหมเราไม่ได้เป็นอะไรซะหน่อยตรงนี้เราไม่รู้เราต้องภาวนาเราถึงจะเห็นเราถึงจะแยกจิตออกจากกายได้อย่างชัดเจนเวลาจิตรวมแล้วเนี่ยมันจะไม่รับรู้เรื่องของร่างกายเหมือนร่างกายกับจิตแต่นั้นแยกออกจากกันชั่วคราวแล้วจิตเป็นอัปปนาสัต์แต่ว่ารู้เป็นอุเบกขานี่ ไม่มีความรู้สึกว่ามีร่างกายอยู่ในจิตใดในตอนนั้นตอนนั้นถึงจะรู้ว่าเนี่ยคือติดจิตล้วนๆเป็นอย่างนี้เองคือตัวรู้สักแต่ว่ารู้แต่มันจะอยู่ได้ชั่วคราวแล้วเดี๋ยวพอมันถอนออกมามันก็มารวมกับร่างกายพอออกจากสมาธิมาก็มารับรู้ร่างกายรับ ร, รับรู้เสียงกลิ่นรสที่มาสัมผัสกับทวารต่างๆแล้วก็มาหลงคิดว่าเราเป็นมันอีกแล้ว เราเป็นตัวรู้เราเป็นผู้รู้สักแต่ว่ารู้เราวิธีปฏิบัติกับทุกสิ่งทุกอย่างก็คือต้องอุเบกขาวางเฉยแต่ไม่ได้เฉยเมยก็ยังนะวางเฉยทางอารมณ์แต่มีหน้าที่อะไรต้องทำก็ทำไปถึงเวลาต้องอาบน้ำก็อาบไปไม่ใช่เฉยเมยถึงเวลาอาบน้ำก็ไม่อาบถึงเวลาซักเสื้อผ้าก็ไม่ซักนี่แล้วก็อยู่กับใครก็ไม่ได้ใชนะ่คนก็เบื่อกลิ่นเหม็นของเรา อันนี้ไม่ได้เฉยแบบนั้นเฉยทางอารมณ์คือไม่มีความยินดียินร้ายกับความเป็นไปของร่างกายมันจะสุขหรือมันจะทุกข์มันเริ่มมันจะไม่สุขไม่ทุกข์ก็เรื่องของมันมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันส่วนไหนที่เราดูแลได้รักษาได้ก็ทําไปเช่นถึงเวลาเติมน้ําเติมอาหารได้ก็เติมไปรักษาให้มันอยู่ต่อไปได้ถ้าขี้เกียจอยู่ก็ไม่ต้องไปเติมไม่ต้องไปกินข้าวไม่ต้องเติมน้ําก็ปล่อยให้มัน ให้มันเฉาให้มันเหี่ยวแห้งตายไปก็ได้อันนี้ก็ไม่ได้ค่าตัวตายเพียงแต่ไม่ไม่ดูแลมันแล้วปล่อยวางขันแล้วอันนี้ก็ได้เช่นบางคนพอเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาก็ไม่ไปรักษาหมอขี้เกียจรักษาหายแล้วเดี๋ยวก็ต้องไปเจอรอบใหม่หายจากรอบนี้เดี๋ยวมันก็ต้องไปเจอรอบใหม่ก็เลยบางคนก็ขี้เกียจถ้าบางทีเขาเขาป่งได้แล้วเขาเบื่อแล้ว ไม่มีอะไรที่อยากทำและเขาอยากจะอยู่ต่อไปเขาก็ไม่ไปรักษาปล่อยให้มันตายไปตามความเป็นจริงเขาไม่ทุกข์กับมันแต่อยา่างก็ใช้ได้มีกายไหมทางนี้พ่อเจ้าค่ะสวดอาบันเพราะว่าเราเราเราไม่ยึดกายแต่ว่าเราไม่สามารถจะแยกกายกับจิตออกใช่ไหมคะระยะแบบนั้น มันมันต้องแยกได้ที่มันถึ ง, งนีปล่อยได้มันมันต้องเห็นชัดๆว่าเรากับร่างกายนี่เป็นคนละคนกันกเราเป็นเหมือนหมอร่างกายเป็นเหมือนคนไข้เราต้องเห็นชัดๆอย่างนี้ก็ในสมาธิก็ชั่วเกาวพอออกมาก็ต้องใช้ปัญญาเตือนไว<ช>้คอยเตือนอยู่เล่แล้วก็ต้อ ง, ต, องต้องปฏิบัติให้ตรงกับความจริงด้วยเอคือต้องปฏิบัติว่าหมอกับคนไข้นี่เป็นคนละคนกันเอ หมอไม่ไปทุกข์กับคนไข้ใช่ไหอหมอก็ดูแลคนไข้ไปตามสภาพอแต่เวลาก็ให้กินยาฉีดยาแต่เวลาก็ให้อาหารส่วนร่างกายจะเจริญหรือจะเสื่อมนี่หมอก็ไม่ไปทุรนไม่ไปเครียดไปวิตกกับร่างกายของคนไข้ถ้าเรายังไปวิตกไปเครียดกับร่างกายอยู่ก็แสดงว่าเรายัางปล่อยเรายัางปล่อยไม่ได้ยังวางไม่ได้ แต่ถ้าเราไม่เครียดอ่ะอาการดีขึ้นก็ไม่ดีใจอาการเสื่อมลงก็ไม่เสียใจหรือว่ามันเป็นเรื่องปกติของร่างกายมีขึ้นขึ้ น, นลงลงร่างกายมันก็ขึ้นขึ้นลงลงงนี้ไปจนกระทั่งถึงจุดวันสุดท้ายมันก็จบพอมันตายมันก็หายขึ้นหายลงแต่เราไม่ได้ตายไปกับมันเหมือนกับตอนที่เราเข้าสมาธิไปร่างกายก็ตายจากเราไปชั่วคราวตอนนั้นเราก็ยังมีอยู่ เราถึงต้องเราต้องเข้าเข้าไปในสมาธิก่อนเราถึงจะเจริญวิปัสสนาได้อคือเห็นความจริงก่อนแล้วก็ใช้ปัญญาใช้วิปัสสนารักษาความจริงคอยเตือนใจไม่ให้ลือไม่ให้หลงอุณพี่หลงพ่อเทศเรื่องเรื่องโลคิยาญาณนะคะคนที่ได้ระดับโลกิยาญาณ น, นี่ยจะต้องเข้าเข้าสู่ระดับโสดาบันทุกคนนะเจ้า คือการจะเข้าสู่โสดาบันได้นี่ก็ต้องผ่านขั้นสมาธิก่อนต้องมีสมาธิก่อนถึงจ ะ, จะเจริญวิปัสสนาได้ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนา<ม>ก็จะเข้าไปได้ขั้นสู่ขั้นโลยะคือขั้นขั้นสมาธิเท่านั้นสมาธิก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ก็มีคนจเจริญฌานได้ได้สมาธิกันได้ดับความทุกข์ได้ชั่วข่าวเวลาที่จิต อยู่ในสมาธิความทุกข์ก็หายไปความหลงก็หายไปแต่พอออกจากสมาธิมาความหลงก็กลับมาก็กลับมาคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราต่อไปโดยกาจะมีพระพุทธเจ้าที่จะมาเห็นความจริงว่าร่างกายกายใจนี้เป็นคนละคนเป็นคนละส่วนกันและวิธีที่จะรักษาความจริงอันนี้ไว้ก็คือต้องคอยเตือนใจอยู่เรื่อยๆเวลาที่ออกจากสมาธิมาแล้ว ว่าอย่าไปยึดติดกับร่างกายว่าเป็นตัวเราของเราร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายจะเป็นอะไรไปเราไม่ต้องเดือดร้อนกับเขาถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องรับความจริงของเขาเราไม่ได้เป็นเขาให้รู้แคเนี้ร่างกายเป็นอะไรเราไม่เราไม่ได้เป็นไปกับร่างกายแต่พอเราหลงเราจะเป็นไปกับร่างกายทันทีร่างกายเจ็บใจก็เจ็บไปด้วย ร่างกายสบายใจก็สบายไปด้วยพอไปหาหมอหมอบอกว่าอ๋อมื่อกี้ไปดูแล้วมันไม่ใช่ไม่ใช่เป็นมะเร็งหรอกเป็นเนื้องอกธรรมดายังอยู่ได้หลายปีใจก็สบายขึ้นมาตอนแรกหมอบอกว่าอ๋อเป็นมะเร็งเนื้อร้ายจะต้องตายภายในสามเดือนหกเดือนใจก็ใจก็ฟุบลงไปนี่สแสดงว่ายังหลงติดอยู่กับร่างกาย ถ้ายังสุขยังทุกข์กับร่างกายอยู่ก็ยังถือว่ายังหลงว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราอยู่แต่ถ้าไม่หลงแล้วรู้ว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเรามันสุขหรือมันทุกข์มันก็ไม่ได้มาทำให้ใจของเราสุขหรือทุกข์เพราะใจของเราสุขหรือทุกข์ไม่ได้อยู่ที่อาการของร่างกายแต่อยู่ที่ความหลงถ้าหลงบีบติดกับร่างกายก็จะทุกข์ถ้าไม่หลงยึดติดกับร่างกายก็จะไม่ทุกข์ มันก็ยังยังทุกได้ด้วย่ะอย่างนงก็ยังเครตายก็ยังร้องไห้ไม่รู้เขาทุกขกับป่านนะก็อาจจะร้องไห้ถ้าเป็นสวสดาบันแล้วจะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายแต่ยังทุกข์กับการสูญเสียคู่รักไปอยู่เพราะยังมีการอารมณ์อยู่เสียคนรักไปนี่ก็ เสียความสุขไปเพราะยังต้องอาศัยคนนี้ให้ความสุขอกู่เปนคู่ครองนี่ได้นอนด้วยกันทุกคืนพอคืนไหนไม่มีคู่ครองนอนแล้วที่มันก็เหงาเพราะยังมีการาอารมณ์อันนี้พระสวัสดามันยังมีความทุกข์อยู่กับการสูญเสียคู่รักไปได้สูญเสียกับคนที่รักไปแต่ไม่ได้ถึงกับ ใครว่าร้องไห้ฟูมไฟกินไม่ได้นอนไม่หลัอย่างมากก็แค่ก็หาคนใหม่มาแทนเท่านั้นเองจัแบบคนนี้ตายไปก็หาคนใหม่มาแทนได้มีคนอื่นนีต้องเยอะแยะไม่เหมือนกับคนที่ไม่ได้เป็นโสดาบันบางทีเสียกู้รักไปก็ฆ่าตัวตายตามไปก็มีเราะคิดว่าไม่มีเขาแล้วเราก็ไม่รู้จะอยู่ไปทําไม คือพระโสดาพระโสดาบันพระสะกิดาคามีพระอนาคามีก็ยังมีความทุกข์อยู่แต่ทุกข์ที่ละเอียดเข้าไปตามลําดับของขั้นของท่านพระสะกิดา ค, ดคารมีพระโสดาบันนี้ท่านก็ยังทุกข์อยู่กับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายอยพระอนาคามีแล้วท่านก็ไม่ทุกข์กับเรื่องของร่างกายแต่ท่านจะทุกข์กับเรื่องของจิตใจเรื่องการถือนื้ถือตัวอัตตาตัวตนะ เรื่องของอารมณ์ที่มีอยู่ภายในจิตบางวัลอารมณ์ก็สดชื่นแบบบานรางวัลอารมณ์ก็เศร้าหมองเพราะอารมณ์มันยังไม่เที่ยงมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้ายังหลงติดอยู่กับอารมณ์เวลาจิตผ่องใสก็มีความสุขเวลาจิตเศร้าหมองก็มีความทุกข์ก็ต้องแยกอารมณ์ออกจากจิตให้ได้ให้รู้ว่าอารมณ์นี้เป็น เป็นสภาวะธรรมที่ไม่ถาวรมีเกิดขึ้นตั้งอยู่เะาดับไปแล้วก็ปล่อยวางมันมันจะสุขก็รู้ว่าสุขเฉยๆไม่ต้องไปยินดียินล้ายมันจะมันจะเศร้าหมองก็ไม่ต้องไปยินไปเศร้ากับมันให้รู้ต่างความจริงพอปล่อยมันได้แล้วต่อไปมันก็จะหายไปหมดเอง มันต้องฝืนไปเรื่อยๆใช่ไหมคะอาจารย์คือตบไล่นใส่ฝืนเฉยเหมอนันเหอทั้งฝืนทั้งต้องใช้ปัญญาด้วยฝืนอย่างเดียวมันก็จะไม่กําจัดมันได้มันต้องเข้าใจเห็นต้องเห็นว่ามันเป็นตายักณถึงจะกําจัดมันได้อย่างถาวรเพราะยังเห็นถ้ายังไม่เห็นว่าเป็นตายรักก็ยังจะมีความอยากมันก็จะผลิตอารมณ์เหล่านี้ขึ้นมาอยู่เรื่อยๆ พอรู้ว่ามันเป็นตายลักก็ไม่มีความอยากมันก็จะหยุดผลิตอารมณ์ต่างๆขึ้นมาอารมณ์ต่างๆมันก็เกิดจากสัญญาสังขารของของจิต ท, ที่ทํางานอยู่นี่แหละที่ยังผลิตอารมณ์ต่างๆเหล่านี้ขึ้นมามีปัญหาทางอินเทอร์เน็ตหรือเปล่ามีครับอาจารย์อาจารย์ก่อนปัญหาทางอินเทอร์เน็ตครับอาจารย์ พระโพธิสัตว์เนี่ยจะไม่มีทางเข้าสู่พระโสดาบันได้จนกว่าจะอยู่ในวาระอ่าสุดท้ายของการบำเพ็ญตนหรือเจ็ดชาติสุดท้ายหรือเปล่าครับอาจารย์ก็อย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็บรรลุทีเดียวพร้อมกันไปเลยสี่ขั้นท่านก็จะเจริญวิปัสสนาขึ้นไปจากขั้นของร่างกายเข้าไปสู่จิตขณะที่อยู่ประทับอยู่ใต้ต้นโพ น, นะนั่นแหละเกิดนั่นแหะท่านก็บรูุตั้งแต่ขั้นโสดาบันขึ้นไปจนถึงขั้นพาาระอรหันต์เลยะ เพราะตอนนั้นปัญญาของท่านสุขงอมเต็มที่สามารถพิจารณาเห็นขันได้พิจารณาเห็นจิตเห็นอารมณ์ที่อยู่ภายในจิตได้อย่างชัดเจนว่าทุกอย่างเป็นายลับเป็นอนิจจงทุกขังอนัตตาเป็นอริยสัจสี่ทุกขังก็อริยสัจสี่ทุกขังเกิดจากตัณหาความอยากในในสิ่งเหล่านี้ในอารมณ์เหล่านี้พอไม่มีความอยากกับขันไม่มีความอยากกับจิตมันก็จบ มันก็ทุกอย่างมันก็กลับกลืนสู่ความเป็นปกติความเป็นธรรมชาติของของขันและจิตไปแล้วถ้าเช่นนั้นผู้ปฏิบัติทั่วไปเนี่ยสามารถาบรรลุทีหนึ่งสีขั้นได้เหมือนกันไหมครับอาจารย์ก็ในเพื่อพุทธศาสนาก็มีเรื่องมีมีคนหนึ่งเป็นนักบวชที่เขาโกนศีรษะเพะลงมีโกนครั้งแรกก็เป็นโสดาลงครั้งที่สองก็เป็นสกิาคามีขั้นที่สามก็เป็นอนาคามีขั้นที่สี่ก็เป็น อะไรขณะที่ปองผมเนี่ยแล้วแต่จะบางทีก็สามารถบรรลุกันได้อย่างต่อเ น, นื่องถ้าปัญญาเฉียบแหลมแหลมคมมากถ้าไม่งั้นก็บางทีก็ต้องไปทีละขั้นวันนี้เป็นอย่างอย่างที่พระเจ้าทรงสแสดงพระธรรมเทศ น, นาขั้งแรกให้กับพระพปเจ้าวาคัคคีก็มีพระอัญญกชน ญ, ญาบรรลุทำได้ขั้นแรกคือได้เป็นพระสวสดาบัน อีกสี่รูปนี้ฟังแล้วยังไม่ถึงยังไม่เก็ตนยเขาเรียกสมัยนี้ยังไม่เข้าใจก็ยังไม่บรรลุแต่พอหลังจากนั้นทรงแสดงอนัตตรักษณะสุแสดงว่าขนาน่าเป็นอนัตตาทั้งห้ารูปก็บรรลุเป็นพออาาระอรหันต์พร้อมๆกันเลยอันนี้ก็ ท่านก็คงจะบรรลุขึ้นไปตามขั้นของท่านท่านก็ จ, จะหลังจากฟังธรรมแล้วท่านก็ไปกลับไปเดินจงกรมพิจารณาต่อแล้วก็บรรลุขั้นนั้นขั้นนี้ไปตามลําดับแล้วพอมาฟังครั้งครั้งที่สองฟังเรื่องอนัตตลักษณะสูตรนี้ก็บรรลุเป็นพระอรหันต์พร้อมกันทั้งห้ารูปเลยครับต่อไปเป็นคําถามจากทางเฟซบุ๊กพระอาจารย์สุชาติอภิชาโตนะครับ จากคุณตุตูต่แก้วนะครับหลังจากสวดมนต์เดินสักพักแล้วเข้าที่นั่งเกิดไปสัมผัสบางอย่างแล้วกลัวจะแก้อารมณ์กลัวอย่างไรเวลากลัวไงแล้วเลิกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เะอ่านพุทธโธธรรมโมสังโฆไปเลิกสวนบทพุทธคุณไปอิติปิโสอาลังสัมมาไปอย่าส่งจิตไปหาสิ่งที่ทําให้เรากลัว ให้เกาะติดอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วความกลัวนั้นก็จะหายไปหรือว่าถ้าอยากจะโปรงก็ว่าอะอะไรจะเกิดก็เกิดอย่างมากก็แค่ตายเอีนน่ยก็เรียกว่าใช้ปัญญายอมรับว่าร่างกายนี้ไม่ช้าก็เหลวมันก็ต้องตายถ้ามันถึงเวลาจะต้องตายตอนนี้ก็ยอมตายถ้ายอมตายได้ทีนี้ก็หายกลัวแล้วถ้าต่อไปจะไม่กลัวอีกต่อไปอันนี้หายอย่างถาวรคือหายด้วยปัญญา าหายด้วยการสวดอิปิปิโสด้วยการพุทโทรธทำโมสังโคนี้มันจะหายชั่วคราวหายตอนที่ขณะจิตสงบไม่ไปคิดถึงความกลัวแต่คราวหน้าไปเจอของที่กลัวอีกก็จะเกิดความกลัวขึ้นมาใหม่ได้แต่ถ้าถ้ายอมตายแล้วที่มันจะไม่กลัวแล้วเพราะที่กลัวกันก็เพราะกลัวตายกันนี่เองเพราะยังอยากจะอยู่กันนี่พอยอมตายแล้วทีนี้มันก็จบความกลัวมันก็ไม่มีอำนาจที่จะมาทําให้เรากลัวได้อีกต่อไป เพราะเราเรายอมตายแล้วถ้าอยากจะหายกลัวอย่างถาวรก็ต้องปลงยอมตายว่าเกิดมาแล้วในที่สุดก็ต้องตายไม่มีใครหนีพ้นความตายไปได้แต่เราจะไปกลัวมันทําไมในเมื่อสิ่งที่มันตายไม่ใช่เราคนกลัวนี่ไม่ได้ตายแต่คนที่ตายก็ไม่กลัวร่างกายนี่เขาไม่กลัวตายเเชื่อไหมร่างกายนี้เอาไปทิ้งไว้ที่ไหนก็ได้เห็นไหมเอาไปทิ้งไว้ในเมนมันยังไม่เต้นมันไม่ร้องเลย แต่เจ้าของคือจิตนี่ถ้ายังไม่ตายนี่เราก็จับใส่ใส่ลงดูสิโวยวายกันใหญ่ <laughs> ท, ทั้งที่จิตไม่ได้ตายซะหน่อยจิตไม่มีวันตายนะขอให้รูตรงนี้แล้วก็ไม่ต้องไปกลัวตายเพราะจิตไม่ได้ตายสิ่งที่ตายไม่ใช่จิตคือหมอไม่ตายคนไข้าตายหมอไม่เห็นเดือดร้อนยรักษาคนไข้เป็นสิบคนไข้คนให้ตายก็ตายไปเสี คนคนรักษาไม่ตายทุกอย่างไปโกนทำไมคำถามข้อต่อไปจากคุณศีระมนนะครับจ้างคนมากําจัดรังต่อที่อยู่บริเวณหน้าบ้านถูกกดดันให้ทำเนื่องจากมีคนถูกต่อยไปแล้วติดต่อใครมาทำก็จะใช้วิธีเผารังกันทุกคนเพราะไม่กล้าเสี่ยงและกลัวถูกต่อยตอนนี้ได้ดำเนินการเผารังเรียบร้อยแต่ตัวเองต้องอยู่กับความกังวล และทุกทรมานใจในการทําปาณาติบาศควรทําใจอย่างไรดีก็เตรียมตัวรับรับผลกรรมไปสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนจะทําการบนรไดไว้ดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นถ้าไม่อยากจะรับกรรมก็รีบปฏิบัติให้เป็นผ้าอรหันต์เสียแต่วันนี้ถ้าได้บรรลุเป็นผ้าอรหันต์แล้วก็จะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดมารับผลกรรมต่อไปก็มีทางแก้อยู่ ไปปักไปภาวนาไปปฏิบัติไปบวชซะอย่างเงี้ยแล้วพอบรรลุเป็นพระร้านเหมือนกับองค์คุลิมาเนี่ยฆ่าคนต้องกล้าอย่าว่าแต่ฆ่าลังแต่เลยองค์คุลิมาเนี่ยฆ่าคนต้องเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนก็ยังหนีกรรมได้เลยได้บรรลุเป็นพระล้านไม่ต้องกลับมาเกิดก็ไม่ต้องกลับมาใช้กรรมอีกต่อไปในกรณีเช่นนี้หากใช้อุบายในตอนแรกด้วยการ บอกให้ผู้อื่นทำให้แต่ไม่ได้บอกให้ค้าให้ดูให้อย่างนี้ก็จะไม่ติดบ่วงกรรมใช่ไหมครับอ า, าจารย์ <c oughs> เหมือนพระที่บอกว่าช่วยดูตรงนี้ให้หน่อยอะไรอย่างนี้ครับอ า, าจารยถา์ถ้าเราไม่ได้สั่งเขาไม่ได้บอกเขาหรือทำเองมันก็ไม่เป็นบาป <c oughs> ถ้าเราให้เขาดูเฉยๆแล้ ว, แ, ลวแต่เขาจะทำอะไรนี้ก็เป็นเรื่องของเขาแล้ว คำถามข้อต่อไปจากคุณวิทยานะครับเราจะกำจัดความเครียดความวิตกเรื่องสังคมการเมืองสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราอย่างไรดีจะปล่อยวางก็เหมือนเห็นแต่ตัวจะแบกไว้ก็แก้ไขอะไรไม่ได้ก็อย่าไปรับรู้เสียงก็หมดเรื่องอย่าไปติดตามข่าวๆ ใ, ใ, ให้มาสนใจกับหน้าที่การงานของเราก็พอ ส่วนเรื่องเหตุการณ์การบ้านการเมืองก็อย่าไปเปิดดูข่าวอย่าไปอ่านหนังสือพิมพ์อย่าไปรับรู้อย่างที่พูดรับรู้แล้วก็ทำอะไรไม่ได้รู้ไปทำไม ร, รู้แล้วก็ไปเครียดเปล่าๆทุกเปล่าๆก็ เ, เหมือนกับเวลาที่เราเกิดความกลัวก็ไม่ให้สงจิตไปหาสิ่งที่ทำให้เรากลัวให้เราสวดพุทโธธรรมูสังโฆไปภายในใจจิตก็จะลืมเรื่องที่ทาให้เรากลัวมันก็จะหายกลัวได้ ถ้าเราไม่ไปรับรู้เรื่องการบ้านการเมืองใครจะทำอะไรใครจะท้ออะไรก็มันเรื่องของเขาเราไม่ไปรับรู้เสียเราก็จะไม่ทุกข์เราก็ไม่เครียดหรือถ้าเรายังหลีกเลี่ยงไม่ได้เราก็ต้องโปรงว่ามันเป็นอนัตตาไปมันเป็นเหตุสุดวิสัยที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับได้เป็นเหมือนกับฝนฟ้าอากาศฝนฟ้าอากาศถึงแม้ว่าเราจะไม่รับรู้ว่าพรุ่งนี้ฝนจะตกหรือไม่ตก แต่เวลาฝนมันตกเราก็ต้องเจอมันอยู่ดีเวลาเราเจอฝนเราทําไงเราก็กางร่มไปเท่านั้นเองแล้วก็หลบหลบฝนเวลาเราเจอเหตุการณ์ที่ทําให้เราเครียดเราก็หลบไปเท่านั้นเองแล้วก็อย่าไปยุ่งกับเขาในคําถามมีที่บอกไว้ว่าถ้าไม่สนใจก็เดี๋ยวคนอื่นจะว่าเห็นแก่ตัวครับอาจารย์ก็ว่าไปเลยก็เป็นไงนะคมีใครไม่เห็นแก่ตัวบ้างะ ทุกคนเกิดมาก็ต้องเห็นแก่ตัวทั้งนั้นถึงจะอยู่รอดแต่การเห็นแก่ตัวแบบที่มันทําให้เสียหายหรือเปล่งมันไม่ได้ทําะไให้ใครเสียหายนเอาถ้าการเห็นแก่ตัวของเราแล้วทาให้ผู้อื่นเสียหายอย่างนี้ถึงเป็นสิ่งที่เราต้องแก้ไขเช่นเรามีหน้าที่ต้องช่วยเขาทํางานถึงเวลาเราไม่เราไม่ช่วยอย่างงีอนี้ถ้าอย่างนี้เรียกว่าเห็นแก่ตัว อ, อย่างนี้ยก็เกิดความเสียหายขึ้นมาเราก็ต้องเปลี่ยนเราก็ต้องแก้ไขทำให้มันถูก เรามีหน้าที่อะไรจะต้องร่วมทํากับเขาเราก็ทําไปแต่ถ้าเราไม่มีหน้าที่จะต้องออกไปไวอยวายไปไปเป่านกหวีดเราก็ไม่ต้องไปก็ได้ใ ค, ใครก็จะ <laughs> เห็นกับตัวก็ปล่อยเขาว่าไปอยู่ในโลกนี้ก็ต้องคิดว่ามีทั้งสรรเสริมมีทั้งนินทาใช่ไหอคนที่เขาเขาสรรลเสริแล้วก็ได้เออดีแล้วลนะ่ะอยู่บ้านนะ่ดีละปลอดภัยอย่าไปยุ่งกับเขา ก็มีคนที่ก็ว่าเราเห็นแก่ตัวก็มีอันนี้เป็นเรื่องทนะัศนกติของของคนอื่นเขาแต่เราถ้าเราพิจารณาการกระทำของเราว่ามันไม่ได้ทําอะไรให้ใครเสื่อมเสียเดือดร้อนเสียหายก็ถือว่าไม่เป็นไรจะเห็นแก่ตัวแบบนี้ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรทุกคนก็มีเห็นแก่ตัวเวลาเรากินข้าวนี่เราเห็นแก่ตัวหรอเป่าเวลาเรานอนหลับนี่เราเห็นแก่ตัวหป่ะเวลาเราไม่สบายไปหาหมอซื้อยามากินนี่เราเห็นแก่ตัวหรป่า มันก็ต้องเห็นแก่ตัวนะทุกคนเห็นแก่ตัวแบบนี้มันทําให้คนอื่นก็เสียหายหรือเปล่ามันไม่ได้ทําให้คนอื่นเสียหายเพงั้นการที่เขาจะว่าเราเห็นแก่ตัวเนี้นก็มีใครในโลกนี้บ้างที่ไม่เห็นแก่ตัวคําถามข้อต่อไปจากคุณประทุมนะครับเป็นคนตกใจง่ายจากพิจารณาอย่างไรให้ความรู้สึกนี้ตกไปก็บริกรรมพุทโธไปเรื่อยๆทำจิตให้มีสติให้มีความหนักแน่น ถ้าจิต ม, ม, ม, มีสติแล้วก็จะมีสมาธิมีสมาธิก็จะมีความหนักแน่นก็จะไม่ไม่ตื่นเต้นตกใจกับสิ่งได้ไปง่ายๆใจจะไม่เบาเยถ้าใจไม่มีสติไม่มีสมาธินี่ใจจะเป็นเหมือนปุ๋ยนุ่นเวลาลมพัดมาเบาๆมันก็ปลิวไปละแต่ถ้ามีสติมีสมาธินี่มันเหมือนกัเป็นก้อนหินก้อนหินนี่เวลาพายุพัดมามันยังไม่ขยับเลยะ เราต้องทําใจของเราให้เป็นก้อนหินด้วยการเจริญสติอยู่เรื่อยๆบริกรรมพุทโธพุทโธไปอยู่เรื่อยๆอย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่าไปรับรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้ที่ไม่จําเป็นจะต้องรับรู้ดึงใจให้เข้าสู่ข้างในให้ใจมีความหนักแน่นแล้วเวลารับรู้เรื่องราวอะไรต่างๆจะไม่จะไม่ตื่นเต้นตกใจคําถามข้อต่อไปจากคุณชนรดาแก้วบุญเลืองนะครับ เมื่อนั่งสมาธิและภาวนาพุโทโธพุธโทโธไปเรื่อยๆจนเกิดความรู้สึกไม่มีคำว่าพุโทโธแล้วแต่พอพุโทโธหายกลับมีแสงสว่างสีขาวเกิดขึ้นที่ดวงตาและความรู้สึกก็รู้ว่าแสงสว่างสีขาวมันใหญ่และกว้างมากแต่ก็เป็นเพียงแค่คู่เดียวข้าพเจ้าจะตกใจทุกครั้งและออกจากอารมณ์นั้นทันทีข้าพเจ้าจะปฏิบัติต่อได้อย่างไร โดยที่ไม่ต้องตกใจกับแสงสว่างอันนี้ก็ให้มีสติรู้ว่ามันเป็นอนิจจังก็แล้วกันคือเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปมันไม่มีนัยยะไม่มีอะไรสําคัญเป็นสภาวะธรรมเหมือนกับคนใช้ไปใช้ใส่หน้าเราอย่างนี้ก็ให้รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็กลับมาภาวนาต่อกลับมาเบิกกรรมพุทโธพุทโธต่อไปแล้วใจก็จะสงบ แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็จะผ่านไปถ้าเราทําบ่อยๆต่อไปเราํานาญเราก็จะลุกทันเวลาเกิดแสงเกิดอะไรขึ้นมาเราก็จะไม่ตื่นเต้นตกใจแต่ใหม่ๆก็เป็นเรื่องธรรมดาเหมือนมายังไม่ชินสนามพอเจออะไรเข้าหน่อยมันก็พยศขึ้นมาได้แต่พอมันเคยชินแล้วต่อไปมันก็จะเฉยได้ก็สาคัญขอให้เรากลับมาที่พุทธโธก็แล้วกัน เวลาเกิดอะไรขึ้นปรากฏอะารมาให้รับรู้ก็อย่าไปตามรู้ให้กลับมาหาพุโทโธหรือกลับมาหาตัวรู้ให้รู้เฉยๆให้สักแต่ว่ารู้อย่าไปดีใจเสียใจตื่นเต้นตกใจกับสิ่งที่รู้ถ้ามีสติมันก็จะยับยั้งความตื่นเต้นตกใจนี้ได้ตอนที่มันตื่นเต้นตกใจจะแสดงว่าเผลอสติแล้วสติขาดไปแล้วก็ต้องกลับหาสติใหม่ดึงสติกลับมา ถ้ากลับมาที่ตัวรู้ก็ถือว่ามีสติหรือกลับมาที่พุทโธก็ได้อย่าไปตามรู้เรื่องราวต่างๆที่ปรากฏให้รับรู้แล้วมันก็จะหายไปแล้วในที่สุดเราก็จะเข้าสู่ความว่างได้การปฏิบัตินี้ก่อนจะเข้าถึงความว่างอาจจะต้องผ่านเหตุการณ์อะไรบางอย่างบางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกทำให้เราตื่นเต้นตกใจได้แต่ถ้าเรามีสติประคับประคองใจไว้อย่าไป อย่าไปตื่นเต้นตกใจให้รู้เฉยๆแล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านไปคำถามข้อต่อไปจากคุณธนวัฒนะครับการลอยอังคารกระดูกของผู้ที่ตายไปแล้วมีความจำเป็นต้องทำหรือไม่ก็อยู่ที่ว่าเราต้องการที่จะกำจัดมันหรือไม่ <c oughs> <c oughs> ถ้าเราต้องการกำจัดมันเราก็ต้องเอาไปทิ้งที่ไหนทักแห่ง <c oughs> จะทิ้งทะเลทิ้งในน้ำฝังในดินก็ได้ ยังกระดูกอังคารของแม่ของหลวงตานี่ท่านก็ให้ไปโรยไว้ใต้โขนต้นโพในวัดตอนเช้าพอพอเผาเสร็จเดี๋ยวแต่เสรกระดูกเสร็จขี้เท่าท่านก็บอกให้เอาให้โกยไปกองไว้ใต้ใต้ขนต้นโพแล้วก็เอาดินมาผสมกับดินแล้วก็เกี่ยมันบูชาต้นโพไปบูชาพระพุทธเจ้าไป จะทําได้รูปไหนรูปหลายรูปแบบบางคนก็ไปรออังคารเพราะไม่รู้จะไปเก็บไว้ที่ไหนสมัยก่อนก็มีการนิยมไปสร้างเจดีย์เล็กๆในวัดแล้วก็เอาไปบรรจุหรือวัดบางวัดก็หาวิธีหาเงินก็ทําซุม้มเวลาสร้างสร้างกําแพงรอบโบสถ์นี้ก็ทําซุม้มทําตู้ช่องเล็กๆไว้สําหรับให้ใครไม่รู้จากระดูไปเก็บไว้ที่ไหนก็อามาเก็บไว้ที่นั้นด้วยการบริจาคช่วยสร้าง สร้างโบสถ์สร้างอะไรไปอันนี้ก็สุดแท้แต่ว่าแต่ละคนมีความผูกพันกับผู้ที่จากไปมากน้อยเพียงไรบางคนยังอยากจะมีส่วนของเขาเล็กน้อยเก็บเอาไว้เป็นที่ระ ล, ลึกบางทีก็ใส่ผ้าอบไว้ในบ้านก็มีอันนี้ก็ทำได้ทั้งนั้นแต่มันไม่มีไม่มีนัยยะอะไรทั้งนั้นมันเป็นดินเป็นธาตุดินเท่านั้นเองอ่าต่อไปเป็นข้อความจาก ทางเผจคณะสิทธิ์พระอาจารย์สุชาตินะครับซึ่งมีผู้เข้าใจผิดนะครับจากคุณสถิตแว่นสว่างนะครับผมเคยเดินทางไปเพื่อที่จะกราดนิมนต์ขอพึ่งบารมีของท่านให้ช่วยส่งทางแต่ไปถึงแค่จังหวัดผมก็กลับพอได้อ่านข้อความว่าห้ามนิมนต์ผมไม่ได้นิมนต์ให้ท่านไปใส่เป่าแค่นิมนต์ให้ท่านช่วยส่งทาง คือเขาเข้าใจผิดว่านิมนต์ห้ามนิมนต์อะไรเงี้ยเขาเขาจะมานิมนต์ขอถามคําถามอะไรครับอ อ, อคือคือไม่รับกินนิมนต์เช่นให้ไปฉันที่บ้านนั่นที่บ้านนี้ไปเสวที่นั่นที่นี่ไปเทศที่นั่นที่นี่บอกว่ามันไม่มีเวลาไม่สะดวกสะดวกที่จะเทศที่นี่ใครมีปัญหาก็มาถามได้ที่นี่ทุกวันบ่ายสองโมงถึงบ่ายสี่ก็ออกมารับ รับญาติโยมทุกวันตอนเช้าก็ที่เสล า, ากลับมาจากเบญทบารก็ประมาณเจ็ดโมงเช้าก็ฉันฉันเสร็จประมาณ8ปดโมงกว่าเก้าโมงช่วงนั้นก็พอจะมีเวลาบ้างถ้าใครอยากจะพบก็พบได้สองเวลาเช้ากับบ่ายส่วนเวลาอื่นก็ต้องขอเอาไว้สําหรับส่วนตัวบ้างไว้พักผ่อนบ้างไว้สําหรับอาบน้ําอาบท่าล้างหน้าแปรงฟันอะไรบ้าง ไม่ใช่มาเคาะประตูได้ตลอดยี่บสี่ชั่วโมงเราคนเดียวตายคืนก่อนก็เดินจงกรมอยู่พระไม่รู้โภมาอย่างไรจะมาขอที่พักเราเดินหนีวิ่งหนีเลย <c oughs> มันไม่ไหวรับคนจะเมตตาแบบนั้นก็สู้ตายดีกว่า ไม่รู้จะอยู่กันทำไมเมื่ออยู่แล้วตัวเองไม่มีความสงบไม่มีเวลาของตัวเองเลยมันก็ต้องเห็นใจกันพระอาจารย์ครับมีโยมที่นี่ฝากถามมาครับว่าเนื่องจากเขามีญาติเนี่ยพึ่งฆ่าตัวตายไปเมื่อสองสาวันก่อนเนี่ยผู้ที่ฆ่าตัวตายเนี่ยมีกรรมอย่างไรครับอาจารย์ก็เป็นคนที่แก้ปัญหาด้วยวิธีนี้มาก่อนนั่นเอง เปิเวลามีความทุกข์ใจแล้วไม่รู้จะแก้ยังไงก็คิดว่าการฆ่าฆ่าตัวตายก็จะเป็นการแก้ปัญหานี้เขาก็เลยฆ่าตัวตายพอชาติหน้าเขาไปเกิดเจอปัญหาแบบนี้เขาก็จะแก้ปัญหาแบบนี้อีกท่านถึงพูดได้ว่าถ้าฆ่าตัวตายแล้วก็ต้องไปฆ่าตัวตายอีกห้าร้อยชาติเนีก็เพราะว่ามันจะติดเป็นนิสัยไปเราเคยแก้ปัญหาแบบไหนเราก็จะแก้ปัญหาแบบนั้นถ้าเรามีปัญหาแล้วเราก็ไปกินเหล้าเมายา ต่อไปเวลามีปัญหาเราก็จะไปแก้ปัญหาแบบนี้กันไปบางคนแก้ปัญหาด้วยการไปเที่ยวลงอาบอบนวด ข, ข, ของเขาไปของเขาบางคนก็แก้ปัญหาด้วยการไปชอปปิ้งเนี่ยมันก็แล้วแต่การแก้ปัญหาแบบนี้มันเป็นการแก้ปัญหาไม่ถูกจุดนะเพราะปัญหาอยู่ที่ใจอยู่ที่ความอยากความอยากให้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ พอไม่ได้ก็ทุกข์ใจเครียดใจถึงกับอยากจะฆ่าตัวตายเช่นอยากจะให้แฟนกลับมาแฟนไม่ยอมกลับมาอีกก็ฆ่าตัวตายประท้วงแฟน mm. อย่างนี้ก็ไม่ได้แก้ปัญหาเลยร่างกายมันไม่ได้เป็นตัวปัญหาร่างกายตายไปใจก็ยังทุกข์อยู่เหมือนเดิมพอใจไปเจอความทุกข์แบบนี้ก็จะแก้ปัญหาแบบนี้ดังนั้นเราจึงไม่ควรแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่างๆนอกจาก แก้ด้วยวิธีที่พระเจ้าทรงสอนให้แก้คือทำทานรักษาศีลภาวนาไปแล้วเราจะแก้ปัญหาของชีวิตได้ทุกทุกรูปแบบเลยแล้วสิ่งที่ผู้ตายเนี่ยจะต้องได้รับหลังจากการค่าตัวตายไปเนี่ยเป็นกรรมหนักมากน้อยแค่ไหนครับอาจารย์ก็ต้องไปอบายเนี่ยฆ่าตัวตายและค่าผู้หวนก็มีมีโทษพอๆกัน คือสัปดาห์ที่แล้วมีผู้ป่วยเป็นมะเร็งแล้วก็ระยะสุดท้ายมีเกิดความเจ็บปวดทรมานก็ เ, เลยเจ้าตัวเองก็ตัดสินใจอนุญาตให้หมอฉีดยาอืมแล้วคุณหมอก็จะฉีดแล้วก็ลูกๆแล้วก็ญาติๆก็ก็ยินดีด้วยอืมถ้าทำนั้นสําเร็จลูกๆนี่จะเป็นบาปญาติและทุกคนก็น่าจะมีส่วนแล้วก็มีส่วนในการทําปาณาติบาตอันนี้ท<ำ>ําลูกทำญาติแล้วก็หมอ ือทั้ง ห, หมดก็คือ อ, อาจจะมีโทษหนักเบาต่างกันไปผู้ที่กระทําผู้ที่สั่งนี้ก็จะได้รับโทษหนักกว่าผู้ที่ร่วมรับรู้อนุโมทนาเที่ยว <laughs> ตัวเองก็เยี่ยวตัวก็ยินดีเอจ้าตัวก็เยินดีมีสติอ่ายินดีตายก็บอกว่ายอมให้หมดที่เขาพอดีผมทราบข่าวกันเย็น ผก็เลยบอกญาติก็ว่าให้หยุดไว้ก่อนคือจะฉีดพรุ่งนี้เช้าแปดโมงเช้าก็เลยให้หยุดก็เลยหยุดมาหยุดมาได้ประมาณสัปดาห์ไม่ผิดกฎหม้ยเลยเขาบอกว่าหมอฉีดให้สองเข็มใช่แต่ก็จะหลับไปหมอไม่ไม่ผิดกฎหมายแล้วทํอย่างไรคือว่าเจตัวไม่ยากเกิดไหมครับเขอบอกนี่ยคือเป็นโรงพยาบาลเชนแล้วก็หมอกขาินดีฉีดสองเข็มแล้วก็ลูกๆก็เห็นว่าแม่นิ่งทรมานปวดมากคือเป็นมะเร็งภายใน ก็เลยบอกว่าทุกคนก็ยินดีว่าตกลงกันว่าก็มีควาพร้อมใจนี้คนเองขอทราบข่ากผมเลยบอกว่าให้อยู่เฉยนะเพราะผมอธิบายมันก็เป็นผมบอกว่ามันเป็นกรรมใหญ่หวงเลยทุกคนอย่าละกรรมหนักหนาเลยถึงห้าร้อยชาติจิงไม่จรินผมไม่รู้ทุกคนก็จะติดนิสัยนี้ไปเวลาเจอปัญหาอะไรต่างๆก็จะแก้ปัญหาแบบนี้กันไปขอมิตาภาพอาจารย์ช่วยชี้แนะให้เขาเปลียนผมจะให้เขาเปิดใจ อันนี้ยังไม่ตายก็อยู่ไปก็ลต้องก็ต้องพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาว่าร่างกายแก่เจ็บตายเป็นเรื่องของร่างกายใจผู้ที่มาครอบครองร่างกายไม่ได้แก่เจ็บตายไปกับร่างกายใจไม่ควรที่จะไปวุ่นวายใจไม่อยากจะเจ็บท่านั้นเองถึงเป็นปัญหาใจอยากจะหายจากความเจ็บก็เลยคิดว่าพอฆ่าร่างกายแล้วความเจ็บจะหายไป วความเจ็บมันอาจจะหาหชั่วคราวเดี๋ยวคราวหน้าไปเจอร่างกายอันใหม่มันกเน็เจอปัญหาแบบใหม่แบบเก่าอีกถ้าอยากจะแก้ปัญหาก็คือต้องทําใจปล่อยวางความเจ็บมันจะเจ็บก็เจ็บไปใจเราอย่าไปอยากให้มันหายเจ็บแล้วทางใจจะไม่เจ็บพอใจไม่เจ็บแล้วความเจ็บทางร่างกายนี้มันนิดเดียวเหมือนกับเวลาหมอบอกจะฉีดยาเนี่ยยังไม่ทันฉีดเลยใจมันเจ็บไปก่อนแล้วน แต่พอยอมให้หมอฉีดมันก็จิตเดียวเองเอาเข็มทิมไปนิดเดียวความเจ็บของร่างกายตอนนี้มันไม่เจ็บมากหรอกถ้าเปรียบเทียบกับความเจ็บทางใจความเจ็บตอนนี้ส่วนใหญ่อยู่ที่ความใจอยู่ที่ใจอยู่ที่ความอยากให้ความเจ็บของร่างกายหายไปแลยอยากจะหายจากนีหนีจากร่างกายนี้ไปอันนี้เป็นตัวที่จะเป็นตัวปัญหาแล้วก็จะเป็นปัญหาเรื้อรังต่อไปเวลาไปเกิดใหม่ ความคิดแบบนี้ความอยากแบบนี้ก็จะตามไปด้วยเวลาไปเกิดใหม่เจอร่างกายใหม่เจ็บไข้ได้ป่วยแบบเดียวกันอีกมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปอีกมันก็จะไม่มีวันที่จะดิ้นดูดออกจากอบายได้ตายแล้วก็ต้องไปเกิดในอบายแต่ถ้าเรายอมอดทนเอทําใจให้สงบภาวนาพุทโธพุทโธไปหรือพิจารณาแยกร่างกายออกจากใจให้ได้ ให้รู้ว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเราอยู่ที่ใจร่างกายเป็นอะไรเราไม่ได้เป็นกับเขาเราให้รู้เฉยๆทำใจให้สงบถ้าใจสงบเราจะรู้เฉยๆได้แล้วก็จะไม่ทุกข์กับความเจ็บของร่างกายก็จะอยู่กันไปได้จนกว่าร่างกายมันจะหมดสภาพของมันไปเองแล้วเราก็จะไปสู่สุขติเพราะเราเราใจเราสงบเป็นสมาธิก็ไปสวรรค์ชั้นพรหมได้เลย แทนที่จะไปอบายเพราะเกิดจากความเครียดเกิดจากความกลัวเกิดจากความทุกข์นี่ตายไปก็จะลังไปเกิดเป็นผีเนี่ยเป็นความกลัวนี่จะทําให้ต้องไปเกิดเป็นผีทําบาปด้วยความกลัวก็จะไปเป็นอสูรกายทําบาปด้วยความโลภ ก, ก็จะไปเป็นเปรตทําบาปด้วยความโกรธเกลียดอาฆาตพยาบ า, า, บาทก็จะไปนร <Spirit>. กทําบาปด้วยความหลงก็จะไปเป็นเดรชะน์ ที่เนี่ยพวกที่ไปร่วมนี้ก็มีส่วนที่จะต้องไปเป็นเดลชะน์บ้างไปเป็นเป็นอสุรกายเป็นผีบ้างเขาไม่ได้เป็นเปรตเพราะไม่เกี่ยวกับความโลภแล้วไม่ได้เปี่ยวกับความโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาดแต่มันเกี่ยวกับความหลงไม่รู้ความหลงอะเที่ว่าทําแบบนี้แล้วจะช่วยเขาแต่ความจริงไม่ได้ช่วยเป็นการถุดลากให้ไปลงอบายด้วยกันะ ถ้าอย่างนี้จะถือเป็นมาทุค้าได้ไถ้าเป็นพ่อแม่ก็ถือว่ามีส่วนร่วมได้พรหัมมสวัสนีครับก็มันยังไงก็ไปไม่ได้อยู่แล้วนะอ่ะเรียว่าคนป่วยเนี่ยก็ไม่เคยไม่เข้าใจเรื่องการภาวนาหรืออกจะให้ทานผมก็เลยแนะเขาบอกว่าไม่ทราบพุกธพิธนะผมบอกว่าให้นึกถึงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ยอมรับ สิ่งที่เกิดอันนี้คือพติกรรมในอดีตชาติในพบในที่ผ่านผานมายอมอชดใช้สิ่งนี้ไปเพื่อเปลี่ยนที่อยู่ตั้งใจให้ดีสิ่งที่เราจะพุ่งข้างหน้าก็คือพภพเกจ้าเป็นพื้ให้เปลี่ยนบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่เก่าแก่ซ่อมอเลื่อนบ้านใหม่ที่สงา่างามให้เขาใจให้ปล่อยร่างกายเขาเสื่อมไปตามสภาพของเขาเราไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเราแยกตัวเราออกจากบ้านหลังนี้ะ เราทำใจให้นิ่งให้สงบสวดมนต์ไหว้พระไปถ้าทำอะไรไม่เป็นก็สวดมนต์ไปอย่าไปคิดถึงความเจ็บความปวดของร่างกายแล้วความเจ็บทางใจมันจะไม่มีได้ได้ไดไดสอนให้เขาทาใจให้สงบให้ปล่อยวางร่างกายให้คิดว่าร่างกายนี้เป็นบ้านเก่าที่จะต้องพังไปก็ปล่อยให้มันพังไปไม่ต้องไปทุบมันทิ้งตอนนี้ทุบมันตอนนี้เหนื่อยไปเปล่าๆแล้วก็เกิดโทษกับเราด้วย พระอาจารย์กับพระอาจารย์เคยแสดงทําไว้ว่าผู้ป่วยอที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเนี่ยหากถอดออกเนี่ยอ่าจะถือว่าไม่บาปแต่ว่าในกรณีเช่นนี้อ่หากไม่รักษาต่อ อ, อไม่รักษาต่อแต่ปล่อยให้เสียชีวิตเองอย่างเงี้ยก็ถือว่าไม่บาปใช่ไหยครับอาจารย์ไม่บาปก็คือมันคนกรณีกันไงคือเราปล่อยให้ร่างกาย ปล่อยวางเข้าไงปล่อยให้ร่างกายอยู่ก็อยู่อยู่ได้ก็อยู่ไปอยู่ไม่ได้ก็ไปคือเราจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเขาแต่การที่ไปฉีดยานี่แสดงว่าเรามีส่วนเรามีการกระทํากับร่างกายนี้คือเราต้องการให้เขาตายแต่การหยุดรักษานี้ไม่ได้หมายความว่าเราต้องการให้เขาตายเป็นแต่ว่าเราเห็นว่ารักษาไปมันก็ไม่ได้ผลอะไรขึ้นมาเสียเวลาเปล่าเหนื่อยยากไปเปล่าๆเราก็หยุดการรักษาไป ส่วนร่างกายจะอยู่ได้ไห่หรืออยู่ไม่ได้มันก็เรื่องของร่างกายไปอย่างหลวงปู่ชานี่ท่านก็รักษาด้วยสายยางรักษาด้วยเครื่องอยู่หลายปีจนในที่สุดหลวงตาท่านก็ไปบอกให้เขาหยุดยุดติการรักษาว่าไม่เกิดประโยชน์อะไรมีแต่ปจัจจไปทาให้จิตของท่านเต้ามาแบกกองไฟไว้นานเกิ น, เ ก, น, เ, กนเกินเกินเวลาอันควรของมันเราไปลัาง กองไฟนี้ด้วยการเติมเติมเชื้อไฟเข้าไปเรื่อยๆให้อาหารให้อากาศนี่ก็เป็นการเติมเชื้อไฟทำให้ร่างกายอยู่ต่อไปได้แต่ร่างกายก็จะเจ็บปวดยาวนานต่อไปจิตที่ต้องมารับรู้กับความเจ็บปวดก็ต้องมาสัมผัสรับรู้ถึงแม้ว่าตัวเองจะไม่เจ็บไปปวดด้วยมันก็เหมือนกับนั่งอยู่ข้างกองไฟนั่นแหละก็สู้ดับไฟไม่ดีกว่าเลยอย่าไปใส่ฟืนเข้าไปในกองไฟ ไม่ต้องส่งอาหารผ่านท่อไม่ต้องส่งลมผ่านท่อเข้าไปให้ร่างกายมันให้มันอยู่ของมันเองถ้ามันจะอยู่อยู่ได้ให้มันอยู่ของมันถ้ามันอยู่ได้มันก็จะไม่มันก็จะไม่เจ็บมันก็จะหายได้ถ้ามันอยู่ไม่ได้ปล่อยมันไปเขาถึงเขาถึงยอมยอมหยุดการรักษา ดังนั้นก็ต้องรักษาใจของผู้ป่วยให้เตรียมตัวตายอย่างเดียวครับอาจารย์ใจของผู้ป่วยถ้าท่านหลุดพ้นแล้วท่านก็ไม่เดือดร้อนท่านถ้าเดือดข้างโสดาบันไปท่านก็ไม่เดือดร้อนกับความเป็นความตายของร่างกายความเจ็บไายได้ป่วยของร่างกายเพราะ <c oughs> ท่านฝึกเวลาท่านนั่งสมาธิเวลาร่างกายเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ท่านก็ไม่ขยับท่านก็ฝึกหัดอยู่กับมันไปให้มันชินกับมันเหมือนกับคนที่กินพริกไม่เป็นก็หัดกินพริกไป กินพริกไปบ่อยๆก็พอชินกับมันแล้วก็อร่อยแล้วแทนที่จะเผ็ดแทนที่จะกินไม่ได้ก็กลับกินได้อย่างสบายคนบางคนกินข้าวนี่ต้องมีพริกถึงจะกินอร่อยนะคนบางคนนี่เจอพริกเม็ดหนึ่งแล้วโอยห ม, หมดหมดอารมณ์กินเลยมันก็อยู่ที่การฝึกฝนอบรมพวกเราส่วนใหญ่ติดอยู่กับความสุขเกลียดความทุกข์กันเกลียดความเจ็บของร่างกายกันพอเจอความเจ็บของร่างกายนี้ ต้องหาวิธีปัดเป่ามันทันทีพอปัดเป่าไม่ได้ก็เครียดทุกขึ้นมาแต่ถ้าเรารู้จักวิธีปฏิบัติกับมันก็คือมันเจ็บก็หัดอยู่กับมันไปพอใจเราไม่เครียดกับมันแล้วเราก็สบายต่อไปร่างกายเราทุกคนก็ต้องเจ็บไายได้ป่วยอย่างนี้แต่ถ้าเราทำใจให้ปล่อยวางได้เราก็จะไม่เดือดร้อน แยกกันออกเป็นคนละส่วนเหมือนน้ำกับใบบัวมันไ ม, ม, นไม่มันไม่ดูดเข้าหากันผู้ที่มีปัญญาใจจะเป็นเหมือนใบบัวน้ำนี้เป็นเหมือนออสภาวะธรรมต่างๆเช่นเวทนาที่ต้องสัมผัสรับรู้ก็รับรู้กันไปแต่ถ้าไม่มีปัญญาใจของพวกเรานี่ก็เป็นเหมือนกระดาษซับนี่เองพอน้าหยดน้ำลงไปหยดหนึงมันก็จะเกอนกันเข้าไปเป็นเนื้อเดียวกันเลย พอเราสัมผัสอะไรปั๊บใจมันจะซึมไปกับมันเลยเวลารับอะไรดีก็ดีใจไปกับมันเลยเวลารับอะไรมาไม่ดีก็เสีย ใ, ใจไปเียใจของเราจรึงยังยั ง, ย, งยังไม่ได้มีหลักมีเกณฑ์เราจรึงต้องมาฝึกทําใจให้เป็นอุเบกขาให้ได้เพราะเวลาใจเป็นอุเบกขาแล้วมันจะไม่ซึมซับอะไรมันจะรับรู้เฉยๆสักแต่ว่ารู้เฉยๆ การบําเพ็ญสมาธิยังเป็นเรื่องที่จําเป็นสําคัญมากการจะมีสมาธิได้ก็ต้องมีสติถึงต้องฝึกสติอยู่เรื่อยๆก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิพอเรานั่งสมาธิได้แล้วออกมาก็ต้องรักษาอุเบกขานี้ด้วยการใช้ปัญญาสิ่งที่จะมาทําลายอุเบกขาก็คือความอยากอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอย่าพอเกิดทางอยากนี้ขึ้นมาใจจะเครียดเลย ใจจะทุกข์ไม่เย็นไม่สบายเหมือนกับขณะที่อยู่ในสมาธิแต่ถ้าใช้ปัญญาบอกว่าเราห้ามความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้เราอยู่กับมันได้เรารับรู้เฉยๆได้เราก็หัดรับรู้ไปเฉยๆไปพอเราฝึกไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะทำได้เองทำนาทีก็สบายเวลาล่างกายเจ็บก็ยิ้มได้เวลาหมอว่าจะต้องตายอีกสามเดือนก็ดียังมีเวลาต้องสามเดือน มีเวลาที่จะทําอะไรได้เยอะแยะภายในสามเดือนนี้หลุดพ้นก็ได้บรรลุก็ได้ฉะนั้นขอให้เรามายามมาฝึกใจกันทําใจให้มีสติให้มีสมาธิให้มีปัญญาแล้วเราจะมีที่พึ่งเราจะมีที่ดับความทุกข์ที่รุนแรงกว่าความทุกข์ทางร่างกายหลายเท่าถ้าดับความทุกข์ทางใจได้แล้วความเจ็บความทุกข์ของร่างกายนี้ จะไม่เป็นปัญหาจะเป็นเหมือนเข็มฉีดยานี่เองเจ็บนิดเดียวเอาแล้วนะคิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านมาเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปเจริญไปปฏิบัติเพื่อความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองในทางธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทอน มีแสดงทำใชนไครับวันคามมีแสดงทำนะครับวันวิษาขับบูชานะครับก็งงเปนเนอะไรนะครับ